รูปลักษ์ของรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองอัตมาบรรยายคนเดียวไปก่อนบรรยายไปคนเดียวครึ่งรายการในรายการมีสองชั่วโมงอัตมาก็ว่าไปรายยาไปคนเดียวครึ่งชครึ่งรายการก็ชชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จึงจะตอบประเด็นของผู้ชมทั้งบ้านผู้ชมทั้งบ้านก็มีสิทธิ์มีส่วนในรายการนี้นะ มีสิทธมีส่วนที่จะโทรศัพท์ส่งประเด็นเข้ามาจะเป็นประเด็นรายงานอันใดก็ได้รายงานผลรายงานอันนั้นอันนี้ถามไทยติเตียนสั่งสอนโอ้แม้ที่สุดมีถึงขั้นมีผู้ด่าว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการทีเดียวเพราะเราไม่ได้มาสกิสอะไรปานนั้นนะแต่เขาก็ ส่งมานะ้าเขาก็มีด่ามีว่ามีกระแทกกระทันอะไรตอะไรมาก็ไป ก, ก็ดีอัตมาถือว่าพูดตำหนิติเตียนเนี่ยเป็นประโยชน์อนะการตำหนิติเตียนนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นคุณค่าประโยชน์อย่างแท้จริงนะ้เพราะงั้นส่งมาเถอะอัตมารับฟังถ้ามันหยาบมันไม่เหมาะสมจะออกอากาศหรือว่ามันมากไปยาวไปหรือว่ามัน มันไม่เหมาะสมอ่ะเราก็พิจารณาตามภูมิปัญญาเราไม่ได้โกรกเกลียดเราแต่ว่าดูความเหมาะสมถ้าเหมาะสมเราก็ออกเพราะเป็นประโยชน์นะถ้าไม่เหมาะสมเราก็เอาไว้ใช้หนวิธีนั้นวิธีนี้นะก็ให้เป็นประโยชน์ที่จะให้ได้ไ ด, ได้คุณค่าไม่ต้องเสียเวลาเสียแรงงานเสียเออะไรที่เราใช้อยู่เนี่ยสื่อสารนี่ตัวเฉพาะโทรทัศน์เนี่ยอาอากาศไปเนี่ยธรรมดาของเขาเนี่ย ราคามันสูงนะแพงเขาคิดเป็นวินาทีวินาทีกันเลยนะทางโทรทัศน์สื่อสารระดับนีน้คิดเป็นวินาทีราคาขเขานี้ไม่ใช่วินาทีระบาดนะทําไปเล่นไปมันจะวินาทีระบาดนะเอวินาทนะีหนึ่งมนะันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านจนถึงขนาดนั้นเลยนะอ้าพู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามานั้นก็ใช้โทรศัพท์สองหมายเลขคือ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 เ 1, 9, 1, 1้าหนึ่งหนึ่งหก้าสองหมายเลขที่จะส่งประเด็นเข้ามาอ้าทีนี้ก็ชาตยายอาตมาชาตยายคนเดียวไปก่อนอเมื่อวานนี้วันที่สิบเจ็ดอตมาบรรยายธรรมะไปแล้วก็มีผู้ที่ส่งเอสเอมเอสมาหน้า โดยเฉพาะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าฟังแล้วโตก็ฟังแล้วก็อาตมาก็ทราบได้เพราะว่าความเอเสทอนตอบของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าแสดงออกมาก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นอย่งานงานังน้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แต่ก็ไม่อาตมาก็เห็นชัดมานานแ ล, ล้วล่ะแต่ว่านอกจากจะเห็นชัดแล้วก็จะได้เข้าใจความเข้าใจ อาตมาจะได้เข้าใจความเข้าใจของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองก็นําประเด็นของการเข้าใจของเช่นคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่แหละเข้าใจเท่าตมาว่าคนที่เข้าใจเช่นเดียวกันกับคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยอยู่ในวงการศาสนาพุทธเนี่ยจะมีเยอะจะมีเยอะนะมีเยอะเพราะงั้นก็เป็นประโยชน์นประโยชน์ประเด็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นลักษณะที่เกิดจากไม่ใช่อัตมามา ดเดาเอาอ่าเดาเอาอพู้นั้นจะเข้าใจอย่างงี้พู้นี้จะเข้าใจอย่างนั้นมีตัวจริงแสดงออกมาเลยเงี้ยยิ่งคุณแปดเจ็ดศูน้าเนี่เป็นเป็นนักคิดนะนักปรัชญาเป็นนักเทียบนักเคียงอนักศึกษาทางด้านาศาสนาอยู่ทีเดียวแม้มีภาษาศาสนาอะไรแสดงออกมาให้อตมารู้ก็อู้ดูเหมือนจะศึกษามากกว่าตมานะเท่าที่ดูแล้ว จะเป็นผู้ศึกษามากก็อาตมารู้มากก็อาตมาด้วยนะแต่อาตมาก็ความเห็นของอาตมามันก็ต่างกันก็ต่างคนต่างเห็ น, น, นคุณแปดเจ็ดศนยาเขาแสดงออกมาอาตมาก็แสดงอย่างนี้ก็แสดงออกไปต่างกันไปผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ได้ฟังความทั้งสองด้านนะก็เลือกเอาอิสระเสรีภาพผู้ได้ฟังความใดอันใดเห็นเป็นธรรมวาทีอะไรเห็นเป็นอะธรรมวาทีเราก็ตัดสินเอาของใครของมันเป็นอิสระ นะไม่ได้ไปบังคับกันไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรกันหรอกก็ว่ากันไปนะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าประเด็นที่ส่งมาที่อาตมาน่าจะเอาองเอามาอ่านกันบ้างก็มีอยู่สองสามข้อส่งมาหลายหัวข้อมันกันเอาเอาสักสามเอาสักสามข้อข้อหนึ่งบอกว่าทวงว่าพุทธเจ้าสอนให้ดูรูปนามของตนนะสอนให้ดูรูปนามของตน อันนี้เป็นภาษาที่พูดกลางๆรวมๆถูกต้องนะคราเจ้าสอนให้ดูรูปนามของตนนะคําพูดอันนี้ถูกคําพูดต่อไปว่าแต่มหาอาเวจีเจ็ดนะเขียนตัวอแล้ ว, ก, วก็บีตัวบีกับตัวบกับตัวอีขีดแล้วก็อแล้วก็ขีดแล้วก็ตัวอีอีแล้วก็ขีดแล้วก็จตัวจีเจ็ดนะ แสลงด้วยนะรับทำเป็นเล่นไปใช้พยัญชนะนมาเป็นอ่านแสลงอ่านเป็นภาษาอ V วจีเจ็ดก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าอ่านอเวจีเจ็ดนี่ชัดเลยนะ <c ười> คือเจตนาจะให้เป็นเช่นนั้นนะถ้าไปบอกเป็นตัวหนังสือต่เป็นตัวอ่าแล้วก็ตัว V ีอีเนี่ยมันก็อ่านว่าวีนะจีก็ตัวจแล้วก็เจ็ด นะก็แสดงมาเป็นอวเวจีเจ็ดก็คืออเวจีเจ็ดนั่นแหละเกตนานะบอกว่าแต่มหาอเวจีเจ็ดดันสอนให้ไปดูที่กระทกรกว่างานมวานี่อตัตมายกตัวอย่างกระทกรกเป็นตัวอย่างที่เป็นสิ่งที่ชัดเจนผู้ที่ชัดเจนก็เข้าใจทีนี้ท่านผู้นี้ก็เลย <ims. S 1> ไปว่าในดูที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูรูปนาม ก็ทำไมอ่ะกระทบรกนี่มีรูปนามหรือไม่มีรูปนามเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์นะเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ประเด็นนี้แหละอาตมาจะได้วิเคราะห์ออันที่สองบอกว่าโพธิรักษ์ว่าโง่แล้วนคนที่หลงเชื่อโพธิรักษ์ยิ่งโง่กว่าโพธิรักษ์มากกรรมคงเวนจริงๆว่างั้นผู้ที่หลงมาเชื่อโพธิรักน์นี่นะก็กรรมคงเวนจริงๆนะ อัตมาก็ขอมีการวิจัยความคําพูดของคุณปุ๊บแปดเจ็ดศูนย์ห้าตรงนี้นิดนึงว่าอที่บอกว่าพูดบอกว่าโพธิรักษ์โง่นะทีนี้คนที่หลงมาเชื่อโพธิรักษ์นี่ว่ายิ่งโง่กับโพธิรักษ์มากนะว่างั้นเลยนะอัตมาก็ว่าข้อนี้ข้อตมานะว่าผู้ที่ไม่หลงเชื่อ โพธิรักที่อาตมาวะง้อกว่าผู้ที่หลงเชื่อโพธิรักและบอกว่ากรรมของเวนจริงๆนั่นแหละผู้ที่ไม่หลงเชื่อโพธิรักกรรมของเวนจริงๆยิ่งกว่าผู้ที่มาหลงเชื่อโพธิรักนี่ยังมีกรรมที่จะมีกุศลมีกรรมที่ละเวนละภัยได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้ที่ไม่เชื่อโพธิรักนี่จะมีเวนมีภัยเพิ่มขึ้น จะมีเวรมีภัยเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงเลยถ้าเข้าใจคำว่าเวรคืออะไรภัยคืออะไรจะเป็นเวรเป็นภัยยิ่งขึ้นเวรคือการถูกยึดน่ะไม่มีจบไม่มีสิน้นมันก็ผู้มีเวรนี่คือผู้จะต้องมีวิบากต่อไปน่ถ้ามาเชื่อโพธิรักนี่จะสิ้นวิบากจะสิ้นเวรสิน้นภัยจะสิ้นการติดยึดจะสิ้นการตัดละไปเรื่อ ย, อ, ย อ, อัตมาว่างั้นแม้มาหลงนะ แต่ถ้ามายิ่งไม่ต้องหลงและเชื่ออย่างมีปัญญาเป็นตัวของตัวเองเลยเนี่ยจะมาว่าคนนั้นแหละเป็นผู้ที่มีปัญญาที่แท้จริงอสามารถที่จะมีอิสระเสรีภาพตัดสินเองโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นดังที่พระเจ้าท่านตรัสไว้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นชัดเจนนะต่อมาอันสุดท้ายบอกว่าถ้าพิธีกร หมายถึงอิสดา ว, วานนี้เป็นพิธีกรถ้าพิธีกรศึกษาจนเห็นธรรมะเมื่อไหร่นะถ้าพิธีกรศึกษาจนเห็นธรรมเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าโพธิรักษ์เป็นมหาเดรธีตัวจริงนะอันนี้ก็ตู้มก้นไปตู้มกันมานะเดรธีแปลว่าผู้ที่เห็นออกนอกผู้ผู้ที่มีความเห็นต่างจากศาสนาพุทธต่างในที่นี้เป็นปรมัจารนะ์เป็น เป็นสัจจะนะเป็นปรมัตทสัจจะหรือเป็นสมาธิิฐกับมิจฉาทิฏฐิผู้เห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ น, นี่ยังเป็นเดรัจฉีอยู่หรือผู้เห็นปรมตาทิตต่างไปเป็นปรมัตทสัจจะคโละสัจจะนะเข้าใจปรมตทสัจจะเข้าใจเรื่องธรรมะลึกๆธรรมะสูงๆอะไรอะไรเนี่ยออกนอกต่างกันไปนั่นะเรียกว่าเดรัจฉีส่วนใครจะออกนอกจริง ก็ออแล้วแต่สัจจะนะอัตมาไม่ต้องไปบอกว่าคุณแปดเจ็ดศน่าจะเป็นเดรัจฉีหรืออัตมาจะเป็นเดรัจฉีสัจจะมันจะบอกความจริงนะอัตมากําลังอธิบายาเรื่องกายสําคัญมากเรื่องกายเนี่ยแล้วมันจะมีรูปนามแล้วมีทั้งรูปกายนา ม, มกายน่ะจะมีทั้งรูปกายนา ม, มกายคําว่ากายสําคัญ แล้วความหมายของคําว่ารู ป, ปรกายก็ต้องเข้าใจรูปองค์ประชุมของรูปแล้วก็ถ้า น, นามกายก็ต้องเข้าใจความเป็นกายของนามกายนะเพราะดังคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ดูรูปนามของตนเองแต่มหาอาเวจีเจ็บเนดันสอนให้เป็นดูที่กระทครกมัน ง, งั้นเลยนะภาษาแค่ได้ฟังดีๆ <c oughs> เป็นภาษาที่ <c oughs> ทั้งสอทั้งสื่อออกมาให้เห็นชัดเจนว่าการปฏิบัติของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยมีสัญญามีเจตนาและสัญญาและเจตนาของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยเจตนาคือความมุ่งหมายไปสัญญาคือการกาหนดกาหนดกำหนดหมายหมายอย่างนี้อย่างนี้เจตนาก็มุ่งไปเลย แล้วก็ไ้รู้สัญญานี่จะทําหน้าที่รู้ด้วยกําหนดหมายแล้วก็ทําหน้าที่กําหนดไปสัมผัสไปอะไรโดยไม่มีสัมผัสโดยเฉพาะไม่มีผัด ส, สะที่เรียกว่าโพธิพะอัตมาธิบายยกตัวอย่างกระทกรกนี่มันมีโพธพภะมันมีผัด ส, สะแต่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ย อธิบายมาเนี่อธิบายลึกนะอธิบายถึงขั้นว่าปรมัตธรรมมันมีจิตเจตสิกรูปนิพพานโดยใช้คําว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานด้วยเอาคําว่ารูปของท่านอาไว้ข้างหน้าอีกทีนึ่งในซ้ำก็เจตนาหมายถึงว่าไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาหมายถึงอภิธรรมหมายถึงปรมตทิตย์มีแต่จิตล้นล้วนโดยคําว่ารูปนามของคุณปัจจุนห้านี่ก็จะมีสัญญากําหนดหมายเท่าที่อาตมามีภูมิเข้าใจนะว่า เขาจะหมายถึงจิตเจตสิกแล้วก็นิพานโดยกำหนดว่ารูปนี่คือข้างนอกอย่างเดียวมีตรูปรูปังหรือมีแต่รูปรูปนะจะเข้าใจรูปรูปกายรูปกายยารูปกายเนี่ยอย่างไรอาตมาก็เห็นชัดๆอยู่ว่ายังแยกไม่ออกอาตมาว่าคุณ8ป0 5จสุายังแยกไม่ออกว่ารูปรูปกับรูปกายเนี่ย ต่างกันอย่างไรหรือแม้แต่คําว่ารูปกายกับนามกายเนี่ยอาตมาก็ว่าคุณกปดจ็ดศูนห้าเนี่ก็เห็นต่างกั น, กนอาตมานแน่นอนแม้แต่คําว่านามมารูปนะนามมารูปนะเพราะฉะนั้นของคุณเ น, นี่ยบอกอาตมาบอกว่านี่ดูที่กระทงรกนี้เห็นกระทงรกนี้แล้ว คณิติมาเลยติ่งเลยว่าปฏิบัติทําไม่ต้องไปเห็นเงาทกโลกดูรูปนามเขาว่าดูรูปนามคุณแปดเจ็ดศนย้าแน่นอนย่อมหมายว่าดูรูปนามข้างในอย่ามาเกี่ยวข้างนอกดูรูปนามข้างในนะดูรูปนามแล้วตมาก็ศึกษามากับคุณแปดเจ็ดศนย้าที่สื่อมาตามภาษาเท่าเด็กไปสัมผัสกันตามที่คุยมาอธิบายมาเขียนมาต้องไม่รู้ โอ้เยอะแล้วนะทีละสามหน้าห้าหน้าสองหน้าหนึ่งหน้าทำข้อความมาเยอะแล้วก็พอเข้าใจได้แล้วนะก็จะเห็นว่าคุณแปดเจ็ศูนห้านี้เห็นคำว่ากายความเป็นกายไม่ว่าจะเป็นรูปกายหรือว่านามกายก็ดีความเป็นกายของคุณแปดเจ็ศูนย์ห้านี้อจาจารยเชื่อว่านะเชื่อว่า ความเป็นกายของคุณแปดจ็ดศหน้านี่ไม่ครบตามมิโมกแปดไม่ครบตามมิโ ม, มกแปดคำว่ากายเนี่งพระเจ้าท่านให้สัมผัสด้วยกายด้วยนะวิโมกแปดใช่ไหมต้องสัมผัสด้วยกายแล้วก็ถึงจะปฏิบัติไปแล้วถึงจะเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงนะจนกระทั่งถึงอาสวะ ก็สิ้นไปได้ทั้งหมดนะเพราะไม่ครบโดยเฉพาะข้อที่สองนี่สื่อชัดเลยว่าข้อที่สองเนี่ยไม่รวมไปทั้งอัจตังอรูปสัญญีเอโกหิทารูปานิปัสติปัสสะปัจสีปัตเจเนี้เห็น้วยการกระทบสัมผัสนะไม่ใช่แค่ทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นความเข้าใจแต่ปั จะต้องสัมผัสเห็นปัสจะเนี่ยวิปัสนาเนี่เป็นต้นปัจสะคำนี้อยู่ในวิปัสนาด้วยจะต้องเห็นต้องสัมผัสเอาเจ้าสัสนามาทำข้างในก็สัมผัสได้แต่สัสนานมาทำข้างในนะถ้าไม่เียไม่เรียกโพถิพารมท่านเรียกธรรมารมแต่ถ้าเผื่อว่าสัมผัสข้างนอกแล้วมีสัมผัสนั้นเนื่องเข้าไปเรียกว่าองค์ประชุมหรือกาย ใช้คาว่า ก, กายอรตมา ก, ก็พยายามจะขยายความนิยามของคําว่า ก, กายมาให้ฟังแล้วว่ามันหมายถึงกลุ่มหรือกองหรือขันทะเนี่ยกายนี่คือขันทะเลยนะกลุ่มหรือกองนี่จํานวนที่รวมกันรวมกันทั้งนอกและในอย่างรวมกันทั้งหมดเลยนะทั้งมหาภูตา ร, รูปและทั้ง อ, อ, อ, อุปาทายรูปแต่คือรูปทั้งนามรูปนะ ทั้งมหาภูตรูปทั้งอุปาทายรูปและทั้งนามมรูปละเอียดไปหมดเลยถ้าจะให้ชัดลงไปอีกไปจนถึงกระทั่งอะรูปเนี่ยนะมหาพูธรูปอุปาทายรูปแล้วก็นามรูปถึงขั้นอะรูปที่กำหนดรู้ด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นในการเห็นรูปนามอย่างที่คุณแต่เจสุหน้ามายนี่คือการเห็นในจิต เห็นด้วยสัญญากําหนดรู้เห็นด้วยสัญญากําหนดรู้นะไม่ได้เห็นด้วยปัจสะปปสติไม่ได้เห็นด้วยปัสปส ต, เสติเห็นด้วยสัญญากําหนดรู้แต่นี่ต้องเห็นด้วยปัสสติด้วยอย่างในวิโมกข้อที่สองเนี่ยท่านมีคําว่าปัสสติตบตายไว้ชัดเจนเลยอจตังอรูปะสัญญีเอโกพระหิทารูปานิ สติไม่จะเห็นแค่ทิิหรือไม่แค่เห็นแค่สัญญาสัญญามีด้วยก็คืออรูปะสั้นยีก็คือสัญญากําหนดรู้สัญญาต้องใช้อยู่ด้วยในนามที่พระพุทธเจ้าท่านแจกวิพังไว้ในพระไตรปิฎกเรื่องสิบหกชัดเจนอยู่แล้วว่านามีอะไรบ้างใครจำได้นามมีเปตดา สัญญา <Yeah. S 1> เจตนาผัสสะผัสสะเป็นนามมณสิกามตัวที่ห้ามีการทําใจในใจนี่นามมาทาเป็นอาการของใจดังนั้นมณสิทิจใจเลยงานหัวใจที่เราเรียกวจัดการกก่ใจโยนิโสมมณสิการการทําใจในใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมีการทําใจในใจอยู่ตลอดเวลาจะมีรูป มหาพุทธรูปและอุปาทายรูปทั้งสี่มหาพุทธรูปสี่และอุปาทายรูปทั้งสี่ทั้งสี่ก็หมายคํามว่าอุปาทายรูปคือรูปที่ต่อเนื่องมาจากมหาพุทธรูปไม่ได้ขาดกันเป็นจํานวนที่รวมกันหรือกายที่ว่าเนี่ยการรวมเข้าด้วยกันหรือองค์ประชุมหรือมวดหมู่ภายในตนคือการรวมเข้ากันของาธาตุต่างๆมากมายหลากหลายทารูปธาตุและนามธาตุใช่ไหม แม้แต่ที่ฉันระบุชัดเจนเลยว่ากายคืออะไรกายคือหมวดแห่งเจตสิกธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารไม่มีคําว่ารูปนะกายเนี่ยคือหมวดแห่งเจตสิกธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้เป็นต้นกายแต่คําว่ากายไม่มีเท่านี้คําว่ากายรวมทั้งรูปประกายด้วยพอเห็นรูปนามไย เห็นรูปนามก็ต้องเห็นองค์ประชุมของทั้งรูปและนามอาตมาพูดวนไปวนมาสลับไปสลับมานี่ฟังให้ดีๆมันยากมันครบพร้อมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันคำพีราจริงๆคำสอนพระพุทธเจ้านะเพราะที่อาตมาเห็นใจเห็นใจอยู่นะว่าเออมันไม่ง่ายเลยเพราะคุณแปดเ็ดศูนย์หน้านี่แน่นอนว่ายังเข้าใจวิโมกข์แปกไม่ได้หรอ นะหรือแม้แต่คำว่ากายก็ยังไม่ครบนะขออภัยที่ไปวินิจัยเลยนะเนี่ยไปพิภาคษาพลดสินผิดถูกยังไงก็ขออภัยอาจจะมาตัดสินไปตอนนี้ตัดสินไปโดยเข้าใจตามที่คุณแสดงออกมานะเพราะงั้นก็ไม่ตรงตามที่พระเจ้าท่านตัดเอาไว้แม้แต่เพียงข้อเท่านี้จริงๆแล้ววิมกแปดก็ดีถ้าไปมีความรู้ในวิมกแปดนี่แล้วคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจ ความเป็นกายหรือความเป็นสัตว์ในความเป็นกายในความสัตว์นี่ก็คือท่านสอนเอาไว้ระบุไว้ให้รู้ให้เรียนรู้จริงๆก็คือในวันวิญญาณทิฏฐิเจ็ดกัสัตววาเก้านี่แหละความเป็นกายกับความเป็นสัตว์สัตววาเก้าคือความเป็นสัตว์โดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจความเป็นสัตว์ตามที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสัตว์นี่หมายถึงอะไร ตามข้อต้นเลยสมาธิทิในมรรคองแปดคุณจะต้องเข้าใจเป็นสมาสก่อนว่าสัตว์โอปปาติกาหรือสัตตาโอปปาติกาในข้อเก้านี่มันคืออะไรกันแน่ถ้าคุณเข้าใจยังไม่ได้ว่าความเป็นสัตว์หมายเอาอยางไ้สัตว์แล้วตอนนี้กำลังพูดกันนี่พูดกันถึงขั้นประมัดนะ ที่กำลังพูดกันนี่ไม่ได้หมายความพูดกันตื้นๆนะแปดเจดศูนย์หน้านี่พูดกับธรรมมาเนี่พูดกันลึกนะอ่าพูดกันขึขั้นประมัดนะไม่ได้พูดกันขั้นแค่ตื้นๆอ่าแค่สมมุติสัจจะง่ายๆเท่านั้นด้วยอ่าเพราะงั้นจะต้องเข้าใจคําว่ากายหรือความเป็นสัตว์ที่เป็นโอปปาติกสัตว์โอปปาติกะคือสัตว์ทันติบินญาณชิต ศัตรูทางปรมัตาธรรมสัตรูทางปรมัตาธรรมฟังให้ดีนะไม่ใช่สัตรูคือตัวตนบุคคลเราเขานะแต่เกี่ยวเนื่องกับตาหูจมูกรินกายสัมผัสตัวตนบุคคลเราเขาอยู่ในโลกนี้และเราก็สามารถอ่านสภาพในโลกนี้เทีตมายกตัวอย่างแล้วว่าเราสัมผัสแล้วเรารู้จักเราสัมผัสรูปศิลปะอันนึงที่อัตมายกตัวอย่างมาเช่น ภาพที่เขาเขียนคนหัวมีเขาหัวเป็นควายหัวเป็นหมาหัวเป็นลิงหัวเป็นสัตว์เดรัจฉานสามสี่ห้า 3, 4, ตัวนะ่ะใส่เสื้อนอกใครสัมผัสก็เห็นว่าเออเป็ภาพเป็นรูปสัมผัสริบตาเนื้อข้างนอกเนี่ยเห็นแล้วพับพอสัมผัสอย่างนั้นเสร็จพับประมัดของแต่ละคนจิตเจตจสีของแต่ละคนเขาไม่คิดถึงตัวบุคคลหรอก นอกจากเด็กที่ไม่เดียงสาเด็กที่ไม่เดียงสาเขาเห็นรูปนี้ตอนโฆษากันนะั่นนะเขาก็ถามพ่อก็พ่อพ่ อ, พอคนหัวอย่างนี้มีด้วยเหรอใช่ไหมเด็กไม่เดียงสาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาก็นึกทุภาพของคนตัวตนบุคคลเราเขาเลยว่าเออคนนั้นนี่ใส่เสื้อนอกด้วยนะแล้วมันมีหัวเป็นอย่างนี้มันมีด้วยเหรอเด็กแกก็งงงงสงสยัย อ, อประหลาดเนาะ แต่คนที่มีปัญญาพอสมควรไม่เบียงสาและพอสมควรเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่หรอกมันไม่หมายถึงคนตัวตนบุคคลเราเขาหมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานหมายถึงอภิธรรมหมายถึงปรมัตแน่นอนดังนี้เป็นต้นอัตมากระทุกกระตุกร ก, ก็ต้องหมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าหาเข้าใจเช่นนั้นไม่ในแสดงถึงว่าฟังธรรมะยังไม่ถึงขั้นปรมัต แม้ฟังเข้าใจถึงปรมัตได้บ้างแต่ดันอยากว่าอาตมาก็บอกให้าอาตมาไปมองที่ไอ้ไอรูนะ้วะนั้นคุณก็พลากสิก็อาตมายืนยันอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนเราต้องมีวิญญาณหกต้องมีวิญญาณหกต้องมีอายตนาหกมีพัสสะหกมีเวทนาหกมีตัณหาหกตาหูจมูกนิ้กายครบในใจด้วย ในการปฏิบัติธรรมในยืนยันในปฏิจจุบุบาทที่ท่านระบุชัดเจนเอามาย้ํายืนยันเอาหลักฐานมายืนยันนะแต่คุณแปดเจ็ศูนย์ห้าก็ก็ฟังไม่ไม่ส่งคอไปฟังไม่เก็ตไม่เก็ตฟังแล้วมันมันไม่ค่อยรู้เรื่องมันเอาเอาความไม่ได้ไม่เก็ตไม่รู้สึกทับซึ่งไม่รู้สึกว่าเข้าใจไม่รู้สึกว่ามือประทับใจอะไร ไม่รู้สึกไม่ได้เนือ้อหาเนื้อความอะไรรู้สึกว่าโพธิรักนี่แหละเธอะใครที่มาหลงโพธิลักณ์นี่จะโง่หรือว่ายิ่งแม้แต่พิธีกรเนี่ยโอ้โหทาเป็นซักไ้ไล่เลียงนี่นะเอ่อไปเธอะถ้ารู้ไปถ้าเข้าถึงทำเห็นทำเมื่อไหร่แล้วน่จะรู้ว่าใครเป็นมหาเดียร์ถีจริงด้วยนะจะเห็นว่าใครเป็นมหาเดร์ถีตอนนี้จะพอเห็นหรือยังไม่รู้นะ จะเห็นว่าใครเป็นมหาเดือนทีรู้ธรรมะแล้วเนี่ยอย่างงี้ภาพที่ออกไปข้างนอกเนี่ยคนที่สัมผัสแล้วเนี่ยไม่ต้องศึกษาธรรมะเขาก็ระลึกถึงจิตเจตสิกใช่ไหมเขานึกว่าเออคนพวกนี้เนี่ยมันมีสภาพความเป็นสัตว์ในตัวอ่าความเป็นสัตว์ตอนนี้เรากำลังพูดถึงคาว่าความเป็นสัตว์ความเป็นสัตว์ แล้วก็สื่อเข้าไปเลยว่าสัตว์เดรจฉานสัตว์เดรเดฉานคือสัตว์อบายแล้วอบายสัตว์ ai, อบายคำนี้ว่าเดรจฉานสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์เดรเดรฉานสัตว์วิญญาณอบายจะปรุงสีนี่นะเดรจฉานตัวนี้ก็ไม่ได้หมายถึงตัวตนบุคคลเราเขาที่เป็นรูปร่างกายนะเนีน่ยรูปเป็นหมารูปเป็นเสือเป็นบิงเป็นข้างอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แน่นอน แต่มันสื่อเข้าไปถึงนามธรรมาเป็นอภิธรรมสื่อเข้าไปถึง จ, จิตเจตเสิกรวมนิพพานหรือถึงปรมาตถ์แม้ยังไม่ได้ศึกษาก็สื่อแล้วเทียิ่งคนที่ได้ศึกษาธรรมาม า, มายิ่งศึกษาปรมัตถธรรมมาดังคุณที่คุณก่จัสมน้าอวตัวเองว่าตัวเองเป็นอริยะเช่นเราเนี่ยถ้าอริยะจริงจะเข้าใจปรมาตถ์จะเข้าใจ จ, จิตเจตเสิกชัดเจน จะไม่สัญญาวิปลาดไปขนาดนี้น่ะไม่สัญญาวิปลาดไปขนาดนี้ข้อภัยที่อาตมาวิจารณ์ตรงวิจารหนักทุข้อภายนะคุณไปจะสูหน้าอาตมาวิจารณ์นี้เป็นการศึกษาวิจารณ์หรือวิจัยไม่ใช่ไปว่าคุณแต่วิจัยสภาวะแห่งเหตุผลแห่งหลักษานความจริงต่างๆของวิชาการสู่ฟังนะเพราะฉั้คุณจะ จิตใจยังไงก็บรรจุที่คุณถ้าคุณมีอัตตาคุณก็จิตใจแน่แต่คุณไม่มีอัตตาคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคุณก็ฟังได้เพราะว่าอาตมาไม่ได้พูดโดยโกดด้วยเครืองไม่ได้พูดโดยเจตนาคมเบงปวดอ้างปวดดีรู้ถูกรู้แคลนขอไปเทียบคุณก็ได้ว่าคุณสิกลับรู้ถูกรู้แคลนอาตมาแต่อาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่มีจิตดูแคลนคุณจริงๆแต่เข้าใจว่าคุณอยู่ในภูมิไหนเท่านั้นเอง จะภูมิต่ำภูมิสูงนั่นคือสัจจะเข้าใจว่าคุณอยู่ในภูมิไหนเท่านั้นเองไม่ได้ดูถูกดูแคลนแต่เข้าใจโดยสัจจะว่าคุณอยู่ในภูมิอย่างไรเข้าใจอันนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ภูมินี้ก็คือชั้นนี้ชั้นนี้เท่านั้นเองอาจะมาไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนเพราะว่าธรรมดาธรรมชาติทุกคน่ะจะมีความรู้เท่าที่ตนเองโง่จะมีความฉลาดเท่าที่ตนเองโง่จะมีความโง่เท่าที่ตนเองฉลาดเป็นสัจสัจจ ทังใครจะโง่เท่าไร่ฉลาดเท่าไรก็เท่านั้นเทนี้ใครสามารถที่จะรู้ความฉลาดของโง่ของใครของใครได้บ้างมันอาจจะไม่ถูกเป๊ะๆหรอกก็ได้บ้างก็เป็นไปตามสัจจานั้นส่วนจิตอีกตัวหนึ่งเจตสิกตัวหนึ่งดูถูกดูแคลนเห็นว่าเขาต่ําเห็นว่าเขาโง่เห็นว่าเขาเซ่ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีจิตดูแคลนมันก็อีกตัวหนึ่งมีหรือไม่มีตัวนี้ต่างหากแต่เห็นความจริงตามความันจริงว่าเออคนนี้โง่คนนี้ฉลาดคนนี้ชั้นนี้คนนี้สูงกว่าชั้นนี้ มันเป็นเรื่องของปัญญามันไม่เรื่องความรู้มันไม่เรื่องความจริงมันไม่ได้ไม่เรื่องปแปลกอะไรอัตมาก็พูดความจริงเป็นเรื่องของสัจจะที่พูดสู่ฟังเทนะ่นั้นอัตมาไม่ได้สนใจอัตมาอัตมาก็อ่าน อ, อัตมาแยกแยกออกว่าปัญญาเห็นความจริงและกล่าวความจริงตามความเป็นจริงกับตัวที่ไปปรุงสังขารร่วมด้วยที่มีการโกรธเกลียดชังหรือว่าการเป็นอกุศลจิตร่วมด้วยปรุงด้วยมีหรือไม่มีอัตม า, มามต้องอ่านใจตัวเราเอง ว่าใจของเรามีตัวนั้นหรือไม่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีอ่านเป็นหรือเปล่าเราอ่านถูกไหมล่ะถ้าอ่านถูกแล้วก็อ่านเป็นด้วยจริงด้วยถูกต้องด้วยก็เท่านั้นเองถ้าคุณอ่านผิดคุณอ่านหัดอ่านเหมือนกันแต่คุณทั้งอ่านผิดก็ก็คือผิดอยู่อสัญญาอย่างวิปลาสอยู่การกําหนดหมายยังไม่คือตรงเดียวคลาเคลื่อนไปได้เรียนมาบ้างแล้วกำลอ่านวิธีอ่านก็กําลังเรียนอยู่มีทิฏฐิมากพอสมควร ไม่ใช่มิชัดจิติทีเดียวแต่ว่าจิติมันมันก็จิตีนี้แหละแต่มันยังไม่มีปัญญาแหลมคมหรือไม่มีปัญญามากพอที่จะสัญญากำนวนหมายถูกตรงเปี้ยงไม่วิปลาสเลยเน่ยเอาทีนี้มาเข้าสู่รายละเอียดอาตมาบอกเลยว่าคาว่ากายเนี่ยสำคัญมาก ถ้าเข้าใจคําว่ากายก็จะรู้จักองค์ประชุมหรือจะรู้จักกลุ่มกองหรือจํานวนที่รวมกันหรือการรวมกันเข้าของธาตุต่างๆมากมายหลากหลายหรือธาตุของเวทนาสัญญาสังขาร น, นี่แหละรวมกันอยู่ข้างในเนี่ยที่เป็นปรมัทิตย์แล้วเนี่ยในนิโมกแปดเป็นภูมิธรรมระดับปรมัทิตย์แต่ภูมิธรรมระดับอริยธรรมและเป็นโลกุตตรธรรมด้วย เป็นโล ก, กุตรธรรมด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีความรู้ในระดับบิโมกนะมีความรู้ในระดับนิโมก็คือผู้มีความรู้ในระดับนิชานอ่านชาญเป็นรู้จักชาญรู้ประชาญอรู้ประชาญแม้ที่สุดอ่านนิโรธถ้าถึงขั้นนิโรธก็อ่านนิโรธเลยนะถึงขั้นนิโรธก็อ่านนิโรธได้พราะบิโมกข้อทนะี่แปดนั่นคือ น, นิโรธ ข้อที่หนึ่งสองสามคือรูปชานก็สี่ห้าหกเจ็ดคืออรูปชานาคืออรูปชานความหมายของวิโมก3สามข้อต้นมีสามข้อไม่ตรงกันกับคนที่ศึกษารูปชานมาสี่เพราะฉะนั้นมันคนละลักษณะมันคนละแบบมันคนละสื่อที่พระเจ้าท่านสื่อให้ศึกษาว่า มิโมกสังสามนี้คือการมีญาณทัศน์คือการมีมีความรู้มีวิชาหรือมีวิปัสสนาญาณคือเป็นวิชาข้อที่หนึ่งวิชาข้อที่หนึ่งี่งคือการเห็นรู้ไปทะลุถึงข้อสุดท้ายนั่นแหละข้อที่แปดนั่นแหละวิชาแปดประการเห็นมโนมยิที่เห็นอจิวิทยานเห็นทิพโสตเห็นเจตุปริยานเห็น จุดะะตูปปาตญาณเห็นเห็นปุพ เ, เพนิวาสารุสตญาณเห็นจุดตะูปปาตญาณเห็นแม้กระทั่งที่สุดถ้าสามารถถึงขั้นทะลุถึงขั้นเห็นอาสวะคยักญาณอาสวัคยญาณญาณที่บรรลุสุดท้ายนั่นทีเดียวน่เพราะฉะนั้นญาณที่มีจริง เป็นจริงดังที่กล่าวพิพุทธเจ้าตรัสไปนี้จึงต้องเริ่มมีวิปัสสนาญาณมันผู้ที่ไม่มีวิปัสสนาญาณและเข้าใจวิปัสสนาญาณก็เพี้ยนเป็นซะแล้วไปปฏิบัติวิปัสสนาญาณโดยไม่มีปัสสัตซีหรือปัจสติที่ต้องเห็นเห็นด้วยการมีผัจสะ จะมีพัรษะวิโมกข์แปดด้วยกายพัรษะวิโมกข์แปดด้วยกายสําเร็จอิริบทอยู่เป็นปัจจุบันในพรมด้วยตากําลังกระทบรูปหูกําลังกระทบเสียงจมูกกาลังกระทบกลิ่นลิ้นกําลังกระทบรสฉันด้วยแล้วเกิดยานปัญญาวินิจฉัยเกิดปัญญาญ า, า, า, า, นะ า, านยานนี่แหละยานวิปัสสนายานมโนมยิทธิอิทธิพัทธายานที่พุทโธญานนี่แหละ เห็นขึ้นด้วยไม่ได้คลาดสายตาไปจากตายังมีรูปหูยังมีเสียงจ ม, มูกยังมีกลิ่นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นไปก็ขาดผัสสะขาดผัสสะก็ขาดภูสิตวาอยู่ในข้อวิโมกนี่แหละภูสิตวภูสิตววิหารตินี่แหละนะก็ครบไม่ครบก็ขาดไป ก็ไม่สมบูรณ์เมื่อไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ไม่เต็มเต็งไมันจะไปบรรลุธรรมบริบูรณ์ได้ยังไงนะนะเอาที่นี้มาอธิบายวิโมก8แปดให้ชัดชัดดีชัดชัดในวิญญาณทิ่ฐิเจ็ดหรือสัตววัฏเก้านั้นอาตมาอธิบายมาแล้วเมื่อวานนี้ผู้ที่ตั้งใจฟังด้วยดีไปฟังทวนเถอะจะเข้าใจความ ความหมายของคำว่ากายนั้นได้ชัดขึ้นลึกซึ้งขึ้นแลวจะเห็นความสำคัญของคาว่ากายนี้ยิ่งขึ้นซึ่งต่างกับคำว่าร่างในภาษาไทยนะภาษาไทยมันเป็นเรียกว่าร่างกายและหมายถึงร่างหมายถึงร่างองค์ประชุมของร่างที่มีดินน้ำไฟลมด้วยแล้วก็มีจิตวิญญาณอยู่ในนี้ด้วยทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดเลยนี่เป็นร่างที่มีกายมีองค์ประชุมของร่าง ทั้งรูปร่างข้างนอกที่เป็นรูปโฉมร่างในภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่ารูปแปลว่าโครงหนะ้าแปลว่ารูปทรงแปลว่าตัวแปลว่าลักษณะหรือแปลว่ารูปโฉมแปลว่าโครงสร้างของรูปโครงสร้างของรูปนะรูปเนี่ยไอ้ร่างเนี่ยมันจะรูปแต่โครงสร้างของรูปอ่หรือว่าส่วนทั้งมวลของรูปโฉมเป็นส่วนทั้งมวลของรูปโฉมมีรูปโฉมส่วน นามกายนั่นน่ะมันไม่มีรูปโฉมมันไม่มีสีระมันเป็นปรมติจิตเจตสิกมันไม่มีสรีร ะ, ร, ะ, ะ, ร, ร, ะร่างนี่คือคําว่าสรีระพระตาบาลีว่าสรีระจิตเจตสิกพระเจ้าก็ตรชัดเจนว่าอสิรีระไม่มีสรีระเพราะฉะนั้นผู้เจะจะเห็นคําว่ากายเนี่ยนะ คำว่ากายจะเห็นได้ทั้งที่มีรูปร่างในขณะตาคุณกระทบรูปร่างอยู่คุณก็เห็นเนี่ยเห็นรู ป, ปรกายด้วยแต่ไม่ได้ขาดจากนามกายนะเพราะถ้าคุณขาดนามกายให้คนตายมาเอาตามากระทบรูปไอ้เครงนอกเนี่ยมันจะคนตายไม่รู้ไหมคนนอนหลับยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเข้าฌานประเภทฌานรือ ที่เข้าไปนั่งหลับตาดูข้างในนี่หลับตาด้วยก็ไม่รู้จะรูปกายไม่มีรูปกายแต่รูปกายนี่มันหมายถึงปัจจุบันธรรมครบกายครบทั้งพาหิตารูปานิปัสสติเห็นทั้งภายนอกอันนี้ไม่มีภายนอกแล้วเพราะฉะนั้นวิโมกข้อที่สองนี่สำคัญมากเลย ละเอียดละออกครบถ้าคุณไม่ครบในความหมายพวงนี้รูปประชานของคุณที่เป็นนั่งสมาธิอยู่ข้างในนั่งหลับตาก็าไปเป็นฌานฌานฌานนั้นนะถ้าพระเจ้าท่าไม่แยง้งไม่เถียงเราพราะคนเข้าใจฌานแบบนี้ไปสมมติฌานแบบนี้กันในโลกมีอยู่ครองโลกไนมีอยู่ประจําฌานแบบนั้นแต่ฌานพระพุเจ้านั้นสัมมาฌานนั้นไม่ใช่อย่างนั้น อย่างนั้นก็เข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณเป็นนับแค่นั้นเป็นฌานก็ไม่ว่ากันแต่มันไม่ได้เผากิเลสฌานแบบมันมันไม่ได้เป็นฌานที่แท้ไม่ได้เผากิเลสัม่ได้เกิดยานบริบูรณ์อะไรมันก็รู้แต่ภายในมันไม่มีพงยิทาลุปานิปัสติไม่ได้เห็นภายนอกร่วมเลยนะ เท่าตมาหยิบนัยยะต่างๆมาอธิบายนี่ไม่ได้มีเจตนาว่าจะมาขม่มมาอวดดีอวดดิอะไร น, นะอาตมาเจตนามีเมตตามีความตั้งใจจริงๆที่จะสาธยายสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ที่สนใจผู้ที่ใข่จะศึกษาใขรจะให้เกิดประโยชน์อะไรแต่ใๆให้เกิดรู้สาระสัจจะต่างๆของธรรมะเนี่ย อย่างตั้งใจเจตนาจริงใจจริงนะไม่ได้หมายความว่าจะมาข่มคนนั้นมาอวดดีมาอวดอานาจมาอวดดิปวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดรู้ไม่ไมอาตมาว่าอาตมาไม่มีจิตตัวนี้อาตมารู้สึกว่าอาตมาไม่ค่อยรู้เลยซ้าไปไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดทําต่เป็นถ่อมตนเอาโก้พูดแล้วมันดูโก้ดีจังเลยมาถ่มตนอีกแม่เทพจะไม่มีอ่ะไม่ใช่พูดโดยสัจาะความจริงใจ ถ้าอาตมารู้เป็นผู้รู้เหมือนอย่างท่านผู้รู้เยอะๆนักศึกษานักคนกว้าดีๆมีอะไรความรู้กว่านี้โอ้โหอาตมาก็จะรู้สึกว่าอาตมารู้อย่างนั้นน้อจะสื่ออะไรทําประโยชน์ได้สื่อได้มากะมีนรุติปฏิพานที่เยอะๆองั้นมันไม่ใช่แม้แต่ในสัจจะที่อาตมามีที่รู้เป็นสภาวะธรรมในในของอาตมาอาตมายังควักออกมาเพื่อที่จะมามาใช้ประโยชน์ ให้สื่อให้คนอื่นดูมันยังไม่ง่ายเลยยังยากเลยนะไม่ใช่ทำตนทำตัวอะไรผู้ความจริงสู่ฟังจริงๆนะเอาลองฟังดูวิโมกแปดดูดีๆตั้งใจฟังดูเมื่อวานนี้ถ้าผมว่าตั้งใจฟรุง่งปิ ญ, ญานิทิจเจ็ดกษัต 7, ริย์ว่าต้าก็จะเข้าใจวันนี้พูดถึงวิโมกแปดก็ต้องพาดเพิงถึงปิญญานิทิเจ็ด และศตวาดเก้าด้วยแน่นอนเพราะในการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเผยว่าไม่เข้าใจในเรื่องของวิโมกขแปดไม่เข้าใจในเรื่องของศตวาดหรือว่าบัญญัติตินี่นะคุณก็ปฏิบัติหมกพร่องนะถึงแม้ว่าคุณไม่ได้อ่านตำรามาหรือว่ามีพยัญชนะเหล่านี้แต่ถ้าคุณมีญาณฟังอัตมาที่บายนี่นะถ้าคุณมีปัญญาญาณที่มีภูมิธรรมอันนี้จริงๆนะคุณฟังรู้เรื่อง ฟังรู้เรื่องเขายืนยันนะรู้เรื่องนะฟังรู้เรื่องนถ้ารู้เรื่องแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้เลยนะินโมกแปข้อที่หนึ่งนะถ้าแปลว่าจะอินเสิร์ตตัวหนังสือขึ้นไปเลยก็ดีนะนิโมกแปดข้อที่หนึ่งรูปีรูปานิปัสสตินะ ท่านแปลก็ขออาภายัยท่านแปลไปอาตมาอาจจะอธิบายต่างไปจากท่านแปลไว้ในพระเตรปิฎกนั้นบ้างนะท่านแปลว่าผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายรูปปานี้รูปทั้งหลายรู ป, ปีผู้มีรูปปัจจิเห็นไหมไ ม, มีปัจจิตคำนี้สําคัญสาคัญต้องเห็นเห็นเห็นนี่คือมีผัสิสนะัมภาระ อันนี้ก็เป็นข้อต้นข้อสั้ข้อแรกว่าทุกคนต้องมีรูปที่จะ ต, ต้องสัมผัสและต้องสัมผัสรูปเพราะรูปนามที่ว่าอย่างคุณแปดเจ็ศูนย์ห้าว่าทุกอย่างมีแต่รูปนามแล้วให้พิจารณาที่รูปนามรวกนี้ต้องสัมผัสเห็นอาลาค่อนหนึ่งยังไม่ได้กําหนดพระพุทธเจ้ายังไม่ไกําหนดชัดข้อสองผู้ถ้าแปลกันว่าผู้ไม่มีความสําคัญในรูปภายใน เสด็จอาตมาก็วิจัยวิจารณ์ไว้แล้วนะเอาเอาตามท่านไปก่อนแล้วอัตมาค่อยจะมาพูดทีหลังผู้มีความสำคัญมีความสำคัญนะในรูปภายในเขาเ อ, าอาภัยผู้ไม่มีผู้ไม่มีความสำคัญนะไม่ในสแปรมมาจากคำว่าอะอะรูปสัญญนะีนั่นแะภาษาบาลีมันอยู่ข้างหลังนะอจชะตังอะรูปสัญญี เอโกพระหิท e ah ารูปานิปัสสตินี่ก็สองเมื่อกี้นี้คนอหนึ่งอัตมาขึ้นบาลีก่อนก็สองนี้ไม่ได้ขึ้นบาลีก่อนก็สองบาลีก็บอกว่าอัจฉริังนี่แปลว่าภายในอรู ป, ปสัญญีในท่านก็แยกพยัญชนะไปแปลกันว่าอะ น, นี่เอาไปขยายสัญญีว่าไม่ไม่มีความสำคัญไม่มีความสาคัญมั่นหมายในรูปรูปคำข้างหน้าอะเมื่อไปขยายอ สันดีแล้วแล้วก็ไม่สําคัญในรูปภายในอัจฉริงคือภายในเอโกโดยส่วนตนบางบางที่ท่านก็แปลว่าผู้หนึ่งเอาคําว่าเอโกมาแปลผู้หนึ่งด้วยแต่อันนี้ท่านไม่ใช่เลยท่านผ่านไปเอโกะที่จริงโดยตนเองคือผู้นี้หลังจากของเข็นของตนเองสัมผัสตนเองหรือภายนอกก่อนของตนเองเนี่ยสัมผัสภายนอกอยู่ไม่ได้หมายถึงมของตนส่วนตนนะของในตน ขอตนเองเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่ผู้มีผู้มีผู้เป็นอยู่ไปเกี่ยวกับใคระเป็นการสัมผัสรู้สัมผัสเห็นพระหิทาบแล้วภายนอกพระหิทารูปานนี่ก็คือรูปทั้งหลายรูปานี้ก็รูปทั้งหลายย่อมเห็นปัจจิก็เห็นนย่อมเห็นรูปภายนอกถ้าฟังแล้วแปลความนี้แล้วคนที่ฟังพยัญชนะที่แปลว่าผู้ไม่มีความสําคัญในรูปภายใน ถ้าไม่มีความสำคัญในรูปภายในแล้วย่อมเห็นรูปภายนอกถ้าจะแปลกันอย่างชิดชัดตามความหมายที่อาตมาฟังพยัญชนะแต่ละประโยคสองประโยคขยายกันนะก็ได้อย่างนี้ผู้นี้ย่อมเห็นรูปภายนอกย่อมเห็นรูปทั้งหลายภายนอกเอาประโยคนี้ขึ้นมาชัดเจนก่อนีว่าผู้นี้ย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเพราะ ไม่สำคัญนะเพราะผู้นี้ไม่สำคัญในรูปภายในหมายความว่าไม่เอารูปภายในเลยถ้าจะให้เอาภาษาเลยนะใช่ไหมผู้นี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญในรูปภายในไม่กไปกำหนดหมายในรูปภายในมาเอาแต่รูปภายนอกย่อมเห็นรูปภายนอกก็หมายความว่าไอ้ข้อที่สองนี่คือเห็นแต่รูปภายนอกภายในไม่สไม่อ่านไม่เกี่ยวเลย เลยยึ่งไม่เป็นประมัิใหญ่เลยี่โมงเนี่ยมันประมัดนะเรื่องอภิธรรมนะได้ไหมแล้วะยิ่งมาข้างนอกใหญ่เลยก็ไม่สำคัญภายในซะแล้วนี่ในรูปภายในไม่เอาแล้วมาเอารูปสกหลายภายนอกหมด เมื่อไม่สําคัญภายในก็ย่อมมาเห็นรูปภายนอกก็ใช่ตัดทิ้งหมดเลยภายในเอาแต่รูปภายนอกอย่างเดียวเลยกลายเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไปหมดเลยใช่ไหมก็เลยไม่เป็นปรมาจารยเลยเรื่องนี้วิโมกแปรก็เลยเอ๊ะวิโมกแปรนี่มาเรื่องปรมาจารย์นะเรื่องลึกซึ้งถึงสัญญาเวทยียตนิโรธเชียวน ะ, ะถึงการอรูปฌานเชียวนะเป็นรูปฌานเชยวนะเป็นอุตริมุตธรรมเลยนะ อ, อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จึงมีความเห็นต่างที่อาตมาเห็นต่างโดยเฉพาะข้อ 2, สเนี่ยสําคัญในข้อสามก็สําคัญมีหมข้อสามก็สําคัญจะเห็นต่างเยอะเหมือนกันแล้วค่อยๆไปวันนี้แมมอาตมาจะหมดเวลาแล้วนะเนี่ยข้ออ่าข้อสองนี้ก่อนเดีย๋ยวไปข้อสามสำหรับอาตมาเน้นเห็นว่าอรูปสัญญีที่ท่านกล่าวเนี่ย มันขยายอารูปไว้มันสัญญีก็สัญญีอยู่แล้วอารูปก็คืออรูปเพราะยันในที่นี้มันต่างตรงที่ว่าหนึ่งมีรูปสองมีอรูปพระหิธารูปป่านี้เกิดรูปทั้งหลายน่ะภายนอกจะต้องเห็นและเห็นทั้งรูปภายในอัจฉติย์จนกระทั่งถึงอารูป ไม่ใช่ไม่สําคัญมั่นหมายสําคัญมั่นหมายเลยจนถึงขั้นอารูปเอาอ่ะตัว น, นี้ไปขยายไปไปแปรความหมายใส่คนคนละตัวมันก็เลยได้คนละความหมายสําคัญมั่นหมายเลยกําหนดรู้ชัดเจนแม้กระทั่งภายในถึงขั้นอารูปเลยและเห็นอยู่ด้วยพร้อมกันเลยทั้งรูปภายนอกนี่ตังหาหรือความหมายของข้อมีโมข้อที่สองนี้ โดยตนเองอยู่ในตัวเองเนี่ยโดยเอโกทั้งหมดเลยขณะ น, นี้ทั้งรูปภายนอกภายในทั้งหมดของตอนเองทั้งหมดครบเลยอยู่ในนี้เลยปัจจุบันนี้เลยเป็นสําเร็จอิริบทอยู่นสัมผัสวิมุกแปดด้วยกายมีองค์ประชุมทั้งหมดเลยนะมีสภาพที่รวมเข้าด้วยกันเลยนะ จำนวนที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นองค์ประชุมหรือเป็นหมวดหมู่ภายในตัวตนเลยแล้วก็สัมผัสภายนอกพระหิตารูปา น, นี้อยู่เลยทางการปฏิบาตาัติเจ้านี้จะครบด้วยกายก็คือทั้งรู ป, ปรกายและนามกายนามกายขอแวะตรงนี้นิดหนึ่งว่านามกายต่างจะนา ม, มารูปอย่างไรนามกายหมายถึงองค์ประชุมรวมของนามรู ป, ปรกายหมายความ อง์รวมของรูปและนามีจริงนา ม, มากายคือองค์รวมของนามธรรมาส่วนรู ป, ปรกายนะั้นคือองค์รวมของทั้งรูปธรรมและนามธรรมาคุณมีแต่รูปคุณไม่มีนามเลยคุณบอกว่ารู ป, ปรกายก็คืออง์รวมของรูปเท่านั้นคุณว่างี้นะมันก็มีแต่รู ป, ป ร, รูปไปสิแล้วมันมีนามรูตต้ตัวมันไหม มันมีเอโกโดยส่วนโดยตนเองไหมล่ะโดยส่วนตนไหมล่ะตนเองไม่มีในตนเองไม่มีนามตนเองไม่มีธาตุรู้แล้วมันจะรู้ไหมมันจะรู้รูปของมันไหมระม่วงเนี่ยมันไม่มีนามมันรู้ตัวมันไหมแต่คุณเป็นคนคุณมีนามคุณรู้ตัวคุณไหมขณะนี้คุณระลึกรู้ตัวเองได้ไหมใช่ไหมมันคนละเรื่องหลืมันมีสติสัพชัญญะ รัชสมประชาโนมันมันรู้มันมีความรู้โดยเอโกโดยโตนเองมันรู้ทั้งหมดอยู่ในนี้ทั้งนอกในในทั้งรูปเนอกรูปในมันประสานกังอยู่ทั้งรูปเนอกรูปในเป็นากายะเป็นจํานวนที่มันร่วมกันทั้งหมดเลยเป็นองค์ประชุมของทั้งรูปนามทั้งหมดเลยแล้วคุณแยกรูปแยกนามออกนี่สิการรู้รูปนาม ไม่ใช่รูปนาก็หัน่นรูปอย่างหนึ่งนามก็อย่างหนึ่งเหมืองก็ศึกษาทุกวันนี้ศีลก็หั่นไปอย่างสมาธิก็หั่นไปอย่างหนึ่งปัญญาก็หั่นไปอย่างหนึ่งมีมุดก็เลยมุดไปอีกขัดอันหนึ่งเลยมันก็ไม่เข้ากันหมดที่จริงมันเป็นองค์รวมหมดธรรมะาณไม่แตกไม่แยกนะอันนี้แหละสาคัญมากนะอาตมานี่มีคนทักวันนี้ก็มีคนมาพบก็บอกว่า แม้เพราะท่านเนี่ยออกอากาศเวลาบรรยายธรรมานี่ดุดุเนาะอตมาว่าอตมาก็รู้อยู่ว่ากคำกิริยาของอตมาบรรยายธรรมานี่ยเอาจริงเอาจังแข็งเอาจิงเอาจังปิ้งปิ้ ง, งปิ้ง้ ง, ง, ง, งคนก็เลยอ่านลักษณะตึ้นต้น ง, ง, ง่ายๆอย่างนี้ว่าดุตีความว่าอตมาเป็นคนดุกลัวนะคนกลัวอตมาเนี่ย อาตมาไม่ได้อยากให้กลัวหรอกแล้วพวกเราไม่เคยกลัวอาตมาหรอกแตเกรงพวกเราเนี่ยรู้ดีทั้งนั้นเลยตั้งเด็กผู้ใหญ่ไม่ได้กลัวอาตมาหรอกแตเกรงตอนนั้นเองเกรงก็คือเคารพเกรงนี่เคารพกลัวเนี่ยมันก็คือไม่อยากเข้าใกล้เกรงก็ไม่ไม่กล้าไม่ใช่ไม่อยากนะอยากแต่ไม่กล้ามันคนละอย่างนะอยากเข้าใกล้แต่ไม่กล้าเกรงแต่คนกลัวเนี่ไม่อยากเข้าใกล้ คนกลัวนี่ไม่อยากเข้าใกล้แต่คนเกรงเนี่ยอยากเข้าใกล้แต่ไม่กลา้ามันต่างกันนอ่าพูดไปพูดมาข้อที่สามมีโม่ข้อที่สามยังไม่ได้อธิบายต้องอธิบายกันยืดยดยัดยัดหรือว่ายกตัวอย่างแล้วก็ใช้หนังไม่ใช่สิบหกเฟรมต่อวินาทีต้องใชยร้อยหกสิบเฟรมต่อวินาทีไม่งั้นมันไม่ง่ายมันลึกซึ้งมันก็คือว่ากันไปมาเวลาอธิบายคนเดียวก็ มันครบแล้วนะก็ก่อนจะไปตอบประเด็นมีประเด็นมาบ้างเดี๋ยวก็สรุปนิดหนึ่งก่อนว่าวิโมกแปดนี้แปลว่าความหลุดพ้นความรู้ในขั้นหลุดพ้นในความรู้ในขั้นหลุดพ้นเป็นญาณปัญญาวิโมกนี่คือญาณปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นมีญาณปั ญ, ญาวิโมก เพราะจะรู้รูปรู้นารู้ปีรูปานี้ปัสติต้องเห็นรูปเป็นนามตังมียานรู้ตัวนี้เลยข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ต้องรู้ทั้งนอกและในรู้ไปถึงขั้นอรูปรู้ในปัจจุบันนั่นเลยมีผัดผดจิตวาที่ท่านอธิบายครบยู่ในข้อผดจิตวาวิหรติในข้อ กายเวะวิโมกอัฏฐกายเวะวิโมกเคน่ะแล้วก็อะไรอัฏฐกาอัฏฐวิโมกเคเอ๊ะฉับชนเลยอาตมาไม่ค่อยจํายังไม่จําไม่ค่อยแม่นอันนี้ผ่านไปก่อนนะอันนี้อาตมาเองกัอาตมาชักไม่ค่อยจะทันละก็เขาสรุปผ่านไปก่อนว่ามันครบทั้งหมด ที่จะต้องสัมผัส ด, ด้วยกายนะต้องถูกต้องสัมผัสวิโมกแปดไม่ได้บอกวิโมกข้อเดียวเนะี่ยอัฏฐวิโมกเคเลยนะอัฏฐทั้งแปดข้อนะต้องถูกต้องด้วยกายแล้ต้องรวมเป็นกายนะกายเนี่หมายความอยู่รวมด้วยอยู่ด้วยกันไม่ภาคจากกันเป็นปัจจุบันนี้ยังต่อเนื่องกันอยู่นะเพราะฉะนั้นสัมผัสกระทบรคข้างนอกสัมผัสมะม่วงข้างนอกก็สัมผัสอยู่ แต่อ่านจิตของเราเรียนรู้รูปนามในจิตเพราะในรูปในนามนั้นอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามและอะไรเป็นนามที่ถูกรู้เรียว่านามมารูปและนามมารูปที่ถูกรู้นั่นแหละแยกแยะได้อย่างเห็นเห็น <ๆ S 1> อย่างเข้าใจเลยว่ามันมีกิเลสเป็นนามมารูปที่เป็นกิเลสอย่างไรเช่นเห็นตัวกิเลสเห็นกามวิตกหรือกามสังคปะเป็นต้นเห็นพยาบาทสังคปะเป็นต้น จับตัวมันได้เห็นชัดๆเลยปัจสติเห็นในขณะสัมผัสอันนี้ต่อเนื่องเข้ามานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่นี่ทุกอย่างเกิดแต่เหตุแต่ปัจจัยถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ไ, ไม่มีอะไรเกิดให้ศึกษาหรอกคุณศึกษาก็ศึกษาไปวิ่งขาดวินๆไม่ครบบริบูรณ์ของพระเจ้าจะครบบริบูรณ์ต้องมีครอบเหตุปัจจัยทุกอย่างมีแต่เหตุปัจจัยเนี่ยพาเกิดโดยเฉพาะวิ ญ, ญญาณธาตุรู้ด้นในวิ ญ, ญญาณก็มี เมตนาสัญญาสังขารแต่เมตนาสัญญาสังขารขึ้นไปก็อีกเยอะแยะเลยเจอ้อภิธรรมแตกออกไปจนเป็นตังเท่าไหรนะรูปเท่าไรนามเท่าไหรตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในการศึกษานี้ถ้าไม่ครบแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นแต่การศึกษาที่เราได้ศึกษามาเป็นทิฏฐิยึดทิฏฐินั้นทิฏฐิเดียว โดยไม่มีประโตโคโสะเลยถ้าคนที่สมาธิฐิแล้วนะหมายความว่ามีทิฏฐิที่ถูกต้องเขาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะคําว่าสมาธิิมันมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวอยู่ในตัวถ้ายึดมั่นถือมั่นมันไม่แค่สมาธิหรอกความยึดมั่นถือมั่นกับความยืนห ย, ยัดยืนยันต่างกัน ความยืนหยัดยืนยันที่จะยืนหยัดยืนยันได้นั่นก็คือสิ่งที่ลึกซึ้งสิ่งที่ตรวเองได้เป็นมีแล้วเป็นมีแล้วโดยเฉพาะได้เป็นมีอย่างอย่างที่ชัดเจนมันไม่มีสงสัยไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมประกอบด้วยไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมประกอบในความยึดมั่นนั้นด้วยไม่จะยึดมั่นหรอกยืนหยัด ย, ยืนยันนะ เห็นจริงเห็นจังตรงตามนี้แล้วก็ถือตามนี้เลยถือเรีกว่ายึดถือตามนี้สมาทานยึดถือช่วยเอาไว้ตรงนี้แต่มันยึดมั่นถือมั่นจนไม่มีปัญญาเข้าไปร่วมในนั้นน ะ, <c oughs> ะนเพราะงั้นนักพบว่าผู้ที่ยังศึกษาไม่สมบูรณ์ด้วยวิโมกข์แปดแล้วจะไม่สามารถรู้เรื่องกายเรื่องสัตว์ จะกำหนดความเป็นสัตว์ผิดจะกำหนดความเป็นกายผิดไม่ครบโดยเฉพาะกำหนดความเป็นสัตว์ไม่ถูกที่อาจมายกตัวอย่างรูปนี้ในดีเป็นตัวอย่างเนี่ารูปที่เขาเขียนเป็นศิลปะมาคนหัวสัตว์เนี่ยเนะพราะสัตว์คำนี้มันไม่ใช่สัตว์รูปร่างกายตัวตนบุคคลเราเขามันคือนามธรรม มันคือปรมาติตสั์โอปปารติกะนะสัโอปปาติกะพราะฉะนะภาพนะั้นมันสื่อชัดเจนเลยมันสัมผัสแล้วมันเข้าใจถึงเรื่องนา ม, มาทรมแล้โอโหคนคนเลวและความเลวเนี่ยมันคือจิตเป็นตัวตั้งจิตเป็นตัวพาเป็นพาชั่วพาเลวพาต่าแล้วมันก็สื่อด้วยลักษณะแบบนะั้นแบบนะั้นแม้แต่ในญาติต่างกันควายหมายความว่าอย่างไร เสือหมายความว่าอย่างไรมันมีนัยยะที่ต่างกันนะใช่ไหมอ๋อหมาต่างกันอย่างไรลิงต่างกันอย่างไรอะรนุษย์ต่างกันอย่างไรเรียกศรัพท์ที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่ดูเพราะขึ้นกว่าเก่ามนุษย์ะสัตว์รนุษย์อีกตัวนมันต่างกันอย่างไรมันมีนัยยะสำคัญที่มีความหมายของมันผู้ที่เข้าใจภาษาใช่ไหม มันสื่อบอกมันมีนัยะต่างกันเป็นนยะที่ลึกละเอียดลึกซึ้งต่างกันไปในในยัยะแต่ละตัวแต่ละตัวอ๋อมันในลยฉาญอย่างนี้อ่าอย่างควายเนี่ยมันก็งงงงถือถือติตมติมตำตำแทงแทงผิดผิดอะไรเงั้ยเนาะถ้าอย่างเสือนี่ก็โหดูเดือนโหดร้ายเอาเป็นเอาตายอ่าถ้าหมานี่ก็รวดไายหรือดีลา ห, ห, ห, หรือเกินนะถ้าลิงก็ยิ่งคล่องปิดเลยนะโอ้โหจะบุญคุณ อถ้าวอนรุ่เนี่ยไม่ไม่อธิบายแล้ววอนรุ่นรวมความไม่เลยวอนรุ่ก็หมายถึงว่าโอ้โหมันต่ําชั่วมากอะไรเงียเนะเออมันมีในยักของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ไม่ได้หมายถึงตัวสัตว์ไม่ได้หมายถึงสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันหมายถึงอภิธรรมหมายถึงปรมัตหมายถึงจิตวิญญาณมนุษย์เป็นตัวตั้งนะอย่างนี้เี่ยอัตมาถึงว่า ภาพนี้เป็นศิลปะเป็นอภิธรรมเป็นศิลปะขั้นโลกรุตระขั้นอริยะนะซึ่งเขาศึกษาศิลปะกันทุกวันนี้เขาศึกษากันเข า, า, เขาบอกว่าไอ้ภาพขั้นเ อ, อ่อแอบสแตรกขั้นถึงขั้นนามธรรมนี่นะนาะเขาเรียกแอ็บสแตรกนามธรรมขั้นนามธรรมนี่เข้าไปสังจิตเจตสิกไงแล้วเขารู้เรื่องที่ไหนนามธรรมเขาก็ บ่ากันไปไปหลงอยู่ในรูปแสงสีเสียงอะไรแต่ไรชื่อยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยแล้วหลอกกันไปหมดเลยแสงสีเสียงเส้นอะไรแต่อะไร บ, บ, บาบาบอวเววบิบิดหรือว่าอพูดปุดปัดอะไรก็ไม่รู้สัผัสแล้วให้ไปตั้งอารมณ์เอาเองสร้างอารมณ์เอาเองว่าเป็นอะไรคืออภิธรรมมันคนละเรื่องกันเลยมันไม่ได้เป็นคุณธรรมอภิธรรมอะไรแต่อะไรที่จะบอกว่าเออจิตใจจิตศึกนี่มันมีกุศลนกุศลมันมีดีมีชั่วอย่างไรมีสิ่งควรไม่ควรอย่างไรเปล่า เลื่อนไปสรุปเสียงเส้นแสงสีเพอร์เจอร์เป็นกะอะไรต่างๆเฉยๆมันไม่ได้เข้าหาสัจธรร ม, มไม่ได้เข้าหาคุณธรรมไม่ได้เข้าหาสัจจะของปรมัตอะไรเลยเขาเรียนศิลปะในระดับด็อกเตอร์เนี่ยก็จะต้องเรียนถึงขั้นอภิธรรมถึงขั้นปรมาภัยเพราะภาพนิรสูรงานจิตรกรรมก็ดีปฏติมา ก, กรรมก็ดีสัพพัดแล้วเข้าถึงนามธรรมาข้างใน เข้าถึงประมาท ธ, ธรรมในระดับดร็อคเตอร์เขาต้องเรียนอย่างเงี้ยอัตมา ก, กําลังอธิบายศิลปะในระดับดร็อคเตอร์นี่เงี้ยนี่พูดนี่ขออาภัยยกตัวเองมากไปอ่าผ่านไปก่อนเวลาก็าล่วงเลยผ่านเวลาไปเวลามันหมดที่อัตมาต้องบรรยายคนเดียวแล้วตอนนี้จะตอบประเด็นนะไม่ตอบเพราะว่าอัตมายังบ้าไปเรื่อยๆตรงนี้วันพุธยังไม่ได้อธิบายก็จะสรุป มันประหัตกัตมาก็อีกมันสุก็มีอีกอขยายไปอธิบายไปไปไเรื่อยๆเพราะว่างานขกัตมาเป็นงานหลักของกัตมาไม่ ต, ต้องกลัวนะนอกจากคนที่ฟังนั้นเมื่อฟังนะ่นฟังมากูธรรมนารูปนี้เนี่ยปัญญาจังเลยทําไมไม่เมื่อยไม่เพลียก็นได้ไงเอาก็เมื่อยที่คนเมื่อยก็พักไม่เมื่อยแล้วก็เพียรพระบุตรเจ้าสอนเราอย่างนั้นมีปัญหาอะไรนะ มาตอบประเด็นผู้ที่จะตอบประเด็นก็เดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาตามธรรมเนียมสักก้อนอีกทีหนึ่งผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาก็าใช้โทรศัพท์ไหมเลขสองหมายเลขในการคือศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหก สองหมายเลขอีกทีหนึ่งศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าอีกอันหนึ่งก็คือศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกเอาเชิญอุติส่งส่งเข้ามายังไม่มากประเด็นไม่มากนัดบ่ากันไปเรื่อยๆก่อนเอาเจ้าที่หนึ่งเอเมื่อกี้มี s m s เขา ส่งมาเมื่อวานนี้เนี่ยมีอะไรที่จะอเออมีอันหนึ่งเขาทวงมาหลายทีแล้วอาตมาผ่านสายตาแล้วไม่ได้พูดออกไปนะคุณแปดแปดหกหกเจ็ดเนี่ยบอกว่าชมมรอของสันติเนี่ยอย่าใส่พริกมากนักมันเผ็ดจีอยู่เลยว่างั้นเอาออกอาการไปเลยเขาบอกว่าเป็นเพศพ่กเรานี่ก็ปรุงรสจังเลย พอดีนี่ยครัวยังนั่งอยู่นี่นะแต่ครัวก็มาฟังทำอยู่วันนี้ดีมันกันนะอย่าใส่พริกมากนักมาหลายทีแล้วเอเสฟเวียเานี้นะเข้าทวงมาอาตมาก็ไม่ได้อ่านไปสักทีหนึง่งก็ขอบอกไปว่ายัางไงยังไงช่วยกันดูน้อยก็เผ็ดพอสมควร น, นะเผ็ดมากๆอี่เป็นตรุงรถหลอกกันนักโอ้ปรุงรถลูกรถเป็นเฉียงสัมผัสอะไรพวกนี้เรานักปฏิบัติตามเอาพอทุมท่มทุนะ่มขนาดร้องว่าเผ็ดนี่อาจจะเป็นคน กินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็ก็จะมาไปแต่คนอื่นเขาถัถ่วแล้วเอา้าเขาก็ต้องเผ็ดไอ้อาย่างนี่เขาจะเผ็ดเขาต้องเผ็ดหน่อยน่าไม่เผ็ดมันเช่นน้ําพริกที่ไม่ให้เผ็ดเท่าไรเดียวแล้วกันน้ําพริกแล้วน้ําพริกไม่ใช่น้ําเอาน้ําประปาน้ําพริกจะต้องเผ็ดหน่อยอะไรนี่ก็ต้องให้เขาออะไรบางคนต้องควรก็ต้องมีบ้าตามคงควรนะก็อาตมาติงไปนี่ก็หม่ยความว่เพราะอาตมาไม่ได้ไปประมาณ แม้ว่าอตมาไม่ได้เคยได้ทานอาหารของชมรทอาไรถึงทานก็คนละอยากก็ปรุงแม่แต่ม า, มาชมรอก็คนเลือกถ้าปรุงขายก็อีกรถ่นนึงเขาไม่เอาปรุงขายมาให้อาตมาทานหรอกมันทขรูอยู่น ะ, ะมีพุทธามีเจ้าหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งถามว่าพระพุทธรูปที่อตาตมาดูเนี่ย เขาหมายถึงองน์นี้บอกว่าพระพุทธหลังพระครูปางอะไรเขาไม่ใช่องค์ข้างหลังจริงๆนะหลังจริงๆก็มีเนะี่ยปางนั้นอาบอกทั้งสององกันกนะองนี้ก่อนนะพระพุทธรูปองนี้เนี่ยปางวิชิตอวิชาปางวิชิตอวิชาเป็นปางไม่เอี่ยมยังไม่ได้สร้างเพิ่งมีโมเดลเพิ่งมีหุ่นแรกเนี่ยหุ่นนี้ออกมานะกำลังสู้กับวิกฤตโลก อวิชาอย่างหนักหนาสาหัสเลยโอโหจีวรถูกปลิวพัดสะบัดนะอวิชาของโลกรุนแรงร้ายแรงมากนั่นก็สื่อความหมายออกอย่างนั้นนะเนี่พระพุทธรูปองค์นี้ไม่กําลังจะสร้างองค์ใหญ่หน่อยบางทีก็ไม่ใช่ใหญ่หน่อยจะใหญ่มากเอาด้วยนี่คนคิดอยากจะสร้างองค์ใหญ่มากด้วยอาตมาว่าเอา้าก็มะก็มามแล้วแต่ความเป็นไปได้แค่ไหนก็ว่ากันไปนะนี่เป็น โมเดลแรกเป็นโลหะเพิ่งจะออกมาจากปูนพลสเตอร์จากภาพวาดมาเป็นพลสเตอร์ดักพลสเตอร์ก็มาเป็นหลอ่อมาเป็นโลหะเนี่ยเพิ่งได้รุ่นแรกไปเลยแต่ไม่ได้มาจําหน่ายนะไม่ได้ซ่อมขึ้นจาหน่ายหาเงินหาทองอะไรขออภัยก็บอกกันให้ทราบโดยตรงสร้างขึ้นมาโดยเจตนาเพื่อที่จะสื่อทอดศาสนาตั้งใจจะสร้างให้นานไปเป็นองค์พันปีอยู่เปนพันพันปีไปเพื่อเป็นสื่อจริงๆ นะไม่ได้มาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาให้ขลังเพื่อที่จะมาให้หาเงินเพื่อที่จะมาสร้างความยิ่งใหญ่อะไรให้แกตัวเองอะไรไม่ใช่นะให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะนี่คือปางวิชิตอวิชามหมายความว่าชนะอวิชาผู้ชนะอวิชานะสู้กับอวิชาอย่างหนักดาสาหัสนะนี่คือปางใหม่ที่สุด ปางที่สร้างแล้วอีกองคหนึ่งข้างหลังลน่นปางนั้นคือปางตรีลักคน่ะองค์ข้างหลังสร้างเสร็จแล้วเป็นองค์ใหญ่เป็นอยู่ที่เอ อ, อยู่ที่เ อ, อเป็นองค์ขนาดนี้ก็มีทั่วไปมีอยู่ห้าเจดีย์ยังไม่ถึงร้อยรูปหรอกก็คนที่ต้องการก็มาอยากให้เ อ, อสลักให้เขาก็สลักให้ไปก็ไปสลักกระช่างที่ผู้ที่ รับจ้างสลักพวกนี้เราไม่ได้ทำเขาไปอํานาางตรีรักคือจะมีนิ้วสามนิ้วสื่อเสสามนิ้วนั่นา่างตรีตรักอันนี้เป็นต้นแบบพอเวลาเอาเขาจริงสลักด้วยหินทรายตรงใหญ่อยู่ที่ราชธถานีอโศกนั่นเรียกว่าพระพุทธาพิธ ร, รมนิตรน้าปางตรีรักอ่นนั่นนั่นงนั้นเสร็จไปแล้ว นะก็รูปใหญ่ขนาดนั้นนะน้ำหนักร้อยหกสิบตันตรงนี้คือว่าจะสร้างกันเป็นพันพันตันหลายพันตันนะจะสร้างใหญ่ถึงขนาดหลายพันตันเขาว่างั้นพอฟิตกันจังตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างเสเร็จมันสําเร็จเพราะว่าเราไม่มีงเงินเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราสร้างตามบุญบารมีแม้แต่องค์ที่สร้างไปเสร็จแล้วนะั่นก็ตามบุญบารมีไม่ได้มีเงินมีทองอะไรไว้ก็มีคนมาร่วมกันไปโดยพวกเราที่รุมไม้รุมมือกันในธรรมาไม่เล่าหรอก น่มันใช้เวลาอ่ า, <c oughs> ามีแปดห้าสามเก้ากรรูปปั้นพระทำท่าแปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อนช่วยอธิบายด้วยขอบคุณมากาอธิบายไปแล้วน่ า, น, านี่ก็มีผู้ที่เอ s เมเมาเมื่อวานนี้น มีเรื่องของการเมืองบ้างอัตมาก็เลยอยากจะผ่านๆเพราะว่าการเมืองตอนนี้รู้สึกว่ามันแหลมคมและอัตมายังไม่อยากจะเสนอความเห็นอะไรมากมายเพราะว่ามันกำลังแน่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะถึงขั้นมีเหตุการณ์บ้านเมืองนะมันเกี่ยวด้วยอย่างนี้มันก็โยงใยกันมีอะไระไต่างๆ น, นานานกำลังเป็นข่าวเป็นครา ว, าวอยู่ก็ว่ากันไปนะ คือมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของสังคมที่มันเกิดยุคนี้ยิง่งยุคนี้ยุคกรลียุคนะแล้วก็เป็นยุคที่เดือดร้ายแรงเลวร้ายอาตมาขอใช้คาว่าเลวร้ายด้วยมันก็เป็นไปจริงนะก็เป็นไปตามนั่นแหละเอนะ่ซึ่งจะไปถึงไหนก็เป็นไปตามธรรมช่วยกันทุกคนควรจะช่วยกันอย่างยิ่งนะเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะปล่อยปะละเลยดูดายใจดํามันไม่ถูกเรนะควรจะต้องใจดีช่วยกันนะ อาที่นี้มาตอบประเด็นกล่าวนามาส ก, การหลวงปู่ครับเด็กชายแก้วแวลชานสิงสุดนปะปถมศีทำเป็นเล่นเปนะ็นนาธรรมาตมาเนี่ยเด็กปถม4ีก็ฟังเด็กปรมหนึ่งก็ฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่จบด็อกเตอร์แล้วไม่ฟังนี่มันตังไงยังไงนะอ่า เด็กปฐม4ีปรมหนึ่งก็ฟังธรรมะอาตมานี่ซึ่งมันก็แปลกดีเหมือนกันอ่าถามมาว่าพูดมาหนึ่งพวกโกงบ้านโกงเมืองนั่นแน่ปสีนะเนี่ ย, นนยแก้วแววชานเนี่ยพวกโกงบ้านโกงเมืองโกงไปทำอะไรครับเออซื่อดี เ, อเช่น นะมียกตัวอย่างด้วยเช่นโกงไปทํามาห า, ากินเองหรือโกงไปขายให้ฝรั่งหรือเอาไปตั้งไว้เฉยๆครับเ อ, อมีประเด็นแนะนำมาให้อธิบายด้วยเออโกงไปทําอะไรโกงไปขายให้ฝรั่งโกงไปทำมาห า, ากินเองหรือเอาไปตั้งไว้เฉยๆนี่มีประเด็นไว้ชัดเจนนะโกงไปขายให้ฝรั่งหรือเอาไปตั้งไว้เฉยๆ เอาข้อหลังนี่คงไม่นาะกโงเอาไปตั้งไว้เฉยๆคงไม่เพราะมันเสียแรงเปล่าๆคงไม่ทําัะโกงนี่ลงทุนลงแรงนะโอ้โหต้องหลบเลี่ยงอยให้คนจับได้อย่ามาโกงมันทุจริตน่ะเราทุจริตนะเขาไม่เอาไปตั้งไว้เฉยๆหรอกแหมใครจะไปโกงแล้วไปตั้งไว้เฉยๆเสียแรงตายถูกจับเสียท่าเขาก็ต้องหนึ่งไม่โกงโกงเพราะธรามะหากินเองนะ่ะแหละหนึ่งสองก็โกง วิธีโกงโกมหาทำมากินเองก็ขายให้ทั้งฝรัง่งขายให้ทั้งแคนาขายให้ทั้งไทยอะไรก็แล้วแต่มาขายต่างประเทศอะไรไปแล้วแต่เขาก็โกงเอาไปทำไปอย่างนั้นด้วยนะอ่านี่ก็เป็นปฏิพาน์ของเด็กอายุนะเท่าไหร่นี่อายุเท่าไหร่กี่ขวบ10คขวบปอสี่นะเขาก็มองสังคมก็ อ, อ่านสังคมแล้วก็รู้สังคมไปตามลำดับนะก็ถามมาก็ตอบไปนะ ถามว่าโกงบ้านโกงเมืองโกงไปทำอะไรเขาก็โกงไปทำอาหากินของเขาตามความคิดของเขาว่าถ้าเขาจะทำอาหากินแล้วเขาก็จะทำอาหากินด้วยการงานโกงๆอย่างนี้แหละอ่าแล้วแก้วแววชาญว่ามันดีไหมละ่ะดีไหมธรรมะดีเหรอโกงๆเนี้ยดีเหรออ้าวไม่ตั้งหลักเป็นเมาหมัดยังไงน่ ถามว่าเขาก็โกงบ้านโกงเมืองอย่างนี้ไปโกงไปทําอะไรโกงไปทํามาหากินแล้วเขาทํามาหากินโกงโกงนี่มันดีไงมันไม่ดีใช่ไหมจําไว้อย่าไปทําอย่างเขาเป็นอันขาดนะแล้ววิธีโกงก็โกงไปขายให้ฝรั่งโกงไปขายให้แขกให้เขมรให้ประเทศไหนก็แล้วแต่เขาก็โกงคนที่เอาไปขายได้โกงไปขายเงินได้ไม้ไปเชื่อมโยงกับทางต่างชาติได้เขาก็ทําโกงไม่ได้เขาโกงคนไทยเองนี่แหละ โกงยู่ในไทยนี่แหละมันง่ายดีมันใกล้อ่าคนที่สามารถกโกงไปต่างประเทศเลยโอ้ให้นไหมนี่เขาทํากันอยู่นีน่นี่แสดงว่านี่เขาก็รู้ก็เห็นเลยว่าคน ผ, ผู้ใหญ่เขาเรียกว่าขี้กองโตให้เด็กเห็นผู้ใหญ่ขี้กองโตให้เด็กเห็นใช่ไหมเด็กก็เลยจับได้น้าต่อมาบอกว่าแม่บอกผมว่าเวลาผมนอนหลับผมนอนดิ้นมาก และนอนละเมอถีบแม่บ่อยๆ อ, อย่างนี้ผมจะบาปไหมครับตอนลุงปู่เป็นเด็กลุงปู่นอนดิ้นไหมครับทําอย่างไรผมที่จะไม่นอนดิ้นครับเอออ่ามันเป็นธรรมชาติของเด็กที่เขาไม่ได้คิดอะไรไปมุ่งอะไรอยู่ในจิตเพราะเด็กเนี่ยเวลาหลับเดนอนหลับเนี่ยเขาจะวาง มันจะปล่อยมันไม่ยึดเท่าไหร่ตัวเชนั้นมันก็ไปตามแรงกิเลสที่มันออกไปไ like right. ้เวลานอนหลับนี่มันจะมีกิเลสเล่นงานทัองฝันทั้งน right. ู่นนี่นี่ไปบางทีมันก็ละเมินนี่ที่บอกที่บางทีละเมอินบางทีก็ถีบเธอไปบางทีก็มันก็เป็นจริงแต่พอเวลาโตมาโตมามันจะควบคุมแล้วมีที่เกาะมันก็จะไม่กระจายจนเกินไปก็จะเรียบร้อยยิ่งขัดฝึกสติสํารวม ก็จะนอนได้นิ่งในสงบลงไปทุกทีทุกทีเพราะฉะอยากจะสงบก็ต้องฝึกธรรมะฝึกสงบจิตสงบดีๆแล้วก็จะสงบขึ้นน่าจะไม่ลิ้นไม่อะไรอะไรมากมายนะอาถามาดี่านะจากบางกะปิขอฝากกราบเรียนพ่อตันให้จัดงานขายของถูกแบบที่จัดที่บัณราชมาจัดที่สัติอโศกบ้างค่ะเอ่อ เขาเราเคยจัดแล้วก็เคยย้ายจากสันตียโศกกรุงเทพนี่ไปจัดปฐมวโศกอยู่นานหลายปีแล้วก็ย้ายจากปฐมวันโศกเพราะว่าจัดแล้วมันคนนิยมชม ช, มชอบมากันมากแน่นจนสถานที่ขยายไม่ออกแล้วแน่นนอกจากนัน้นแล้วไม่พอคนนอกเข้ามาผสมโรงเข้ามาเลอะเทอะกันไปใหญ่เลยเราก็ไม่มีขีดขั้นเพราะว่ามันต่อเนื่องกับขีดเขตของที่อื่นๆเขาเราก็เลยเลิก ย้ายไปอยู่ราชธานีราชธานีมันไม่ต่อเนื่องกับที่อื่นเขนักเราก็เลยมีสั์มีส่วนจัดได้ดีนะ่าก็เลยไปจัดที่ราชธานีอโศกกันด้วยความเหมาะสมนะ่ที่นี้ถามว่าจะ ก, กัดจัดที่ที่อโศกบ้างมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมาะตรงที่ว่าหนึ่งชาวกรุงเนี่ย สินค้าที่เขาจะชมชอบสินค้าที่เขาจะไอ้นั่นนะ่ะมันเป็นสินค้าแบบคนกรุงพวกเราก็ไม่ค่อยจะเป็นแบบคนกรุงกรุงแต่งแบบเอคนกรุงมันจะมีรู้ราฟุ่มเฟือเป็นแบบเมืองเมืองกรุง อ, ะอ่ะอ่าเราไม่ค่อยหนึง่งเราไม่ค่อยส่งเสริมให้มันฟุงฟฟ่งเฟอือฟุ่มเฟอือยรู้ราฟุ่มฟืองดงามรู้อะไรมากมายนะักเราเอาธรรมชาติเราเอ า, เอาที่เป็นสาระแก่นสารมากเพราะฉะนั้นเราจะทํากับ นี่เป็นสาระแก่นสารให้แก่ชีวิตสองคนในระดับนั้นนะ่ะมากเป็นมวลของประเทศมากกว่าคนในระดับที่นิยมชมชอบในกรุงนะสามเศรษฐกิจในต่างจังหวัดที่เราควรจะต้องเกื้อกูลเขานั้นนะมากกว่าในกรุงเนี่ยไม่ต้องสไรหรอกเพราะว่าของเขาจัดจ้านนะของเขาเลี้ยงตัวรอด แม้แต่จะโกงจะกินยังไงมากๆเขาในกรุงนี่ล่ะมากเขาก็เลี้ยงตัวรอดอยู่แล้วก็ปล่อยเขาไปบาปใครบาปมันเขาจะโกงกเรื่องเขาเราไปทําอันนี้เราไม่ได้เป็นเป็นการเมืองเพราะงั้นเราจะไปห้าบเขาโกงเขาแกงอะไรไม่ได้ <c oughs> ดีไม่ดีอะมีพวกมาโกงมาอะไรแต่ายของเราอยู่ในนี้อยู่ในกรุงเนี่ยถ้าจัดขึ้ น, นจัดลําบากกว่าในโน้นในโน้นซื้อสัตว์กว่าเพราะว่าซื้อขายถูกแล้วก็ทําอะไรแตลายกันช่วยกัน ซื้อกกันง่ายกว่ากันเลยเพราะคนก็มากด้วยซื้อด้วยสบายกว่ากันเยอะถ้าจัดในนี้ยากยากได้ไหลายนัยยะเลยนะเราไม่เหมาะที่จะจัดนาก็เลยไม่ค่อยได้จัดแต่เราก็ยังมาจัดน้าเนี่ยเพราะเผลเรามาจัดใกล้กับน า, าพระรูปเลยนะ้ที่ราชดาเนินลานพระรูปเลยจัดตลาดอริยะเข้าให้ ทำเป็นเล่นไปเหมาะๆรอจังหวะนั้นก็นแล้วกันโชคดีๆก็มีให้มีให้จากกรุงเทพพระที่มีรถหรูและเครื่องบินเจ็ตเป็นสมบัตินั้นพ่อท่านว่าผิดวินัยไหไมครับวิเคราะห์หน่อยครับพระพุทธเจ้าท่านให้มาทิ้งหมดไม่ใช่ว่าให้มาสะสมกอบโกย ถ้าเข้าใจความหมายว่าไม่มักมากไม่มักรู้ราผู้ฝ่าไม่ปรุงไม่แต่งไม่อะไรแต่พวกนี้เนี่ยเข้าใจเลยในยาแค่นี้ไม่ใหญ่ลึกซึ้งอะไรเลยนะแล้วก็มีสํานึกมีปัญญาพอไม่ทําถ้าไม่มีสํานึกไม่มีปัญญาพอทำนะเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ชัดที่ออกมาเปิดเผยกันตอนนี้ไม่ใช่น้อยแล้วมันคงไม่ใช่น้อยถ้าเบอกว่าเอาไปจริงๆแล้วี่จะไม่ใช่น้อย นะไม่ใช่น้อยหรอกแฟงแฝงฟังฝังอยู่ในาศาสนาพุทธเนี่ยนะทั้งผู้ใหญ่ผู้โตอะไรเธอเดี๋ยวเธอถูกควักถูกลวงออกมาหน้าดูนะที่เป็นนี่นะที่เขาเอามาเปิดเผยเนี่ยไม่ใช่พระใหญ่ๆหญ่โตโตเท่าไหร่นะไม่ใช่พระใหญ่หญ่โตโตเท่าไหร่นะไม่เคยมีชื่อเสียงนะถ้าเจอมีชื่อเสียงหน่อยเอาเถอะ ก็ดูน่าถามว่าผิดวินัยไหมก็แค่นี้เป็นธรรมะหนักกว่าวินัยด้วยจริงๆธรรมะนี่หนักกว่าวินัยธรรมะเนี่ยเนื้อแท้มันวินัยมันไม่ดีแล้วมกัมกน้อยสันโดดไม่ได้ไม่ให้ม า, ารู้ลาผู้าน้าอะไรแตต่างๆนี่เขาเขาจะสาวไปนี่นะภาพไปมีหัวผู้หญิงก็ผู้ชายพระนอนหลับอย่นั้นนะ สงสัยตัวนี้จะเป็นตัวเอาจริงเอาจังแต่เขาเขาเอาจริงเอาจังกันก็ไปเข้าไปเขาก็ปไปไปไปไปอย่างงั้นนะถ้าเอาจริงเอาจังนะถ้าเอาเห็นแก่ศาสนานะั้นก็ต้องควรจะต้องเอาจริงเอาจังกันถ้าอย่างงี้แล้วมันมั น, ม, นมันใช่ไม่ได้แล้วนะมีหลักฐานยืนยันอย่างางี้นะมันจะมีอะไรนะจากสมุดประการมีพระผู้ใหญ่เคยบอกว่าผู้สร้างวัดคณิกาผล วังนี้เปิดสร้างจากแรงศรัท ธ, ธาของผู้หญิงผู้มีอาชีพโสเพณีวังนี้ปิดได้บุญน้อยนะบ่ า, าวาหญิงคณิกานี่ได้บุญน้อยผมสงสัยครับว่าท่านรู้ได้ยังไงครับว่าได้บุญน้อยผมว่าได้บุญมากกว่าพวกที่มีอาชีพบาปทั้งหลายวังนี้เปิดเช่นขายอาวุธขายสัตว์เป็นต้นขายอาะไรใดๆเป็นใหญ่ซะอีกขอหลวงพ่ออธิบายหน่อยครับ <c oughs> อ่า คณิกาในแปลว่าผู้หญิงหากินนวัดคณิกาขผมก็ตั้งชื่อจากเขาเองเป็นหญิงคณิกาหญิงหากินแล้วเขาก็ได้เงินได้ทองมาเขาก็เอามาสร้างวัดสร้างวาพอสร้างแล้วหน่าคนก็ไมปวิจารณว่าได้บุญน้อยเอา้าเขากลับมาสร้างสิ่งที่ดีโดยเขาจะเป็นอาชีพอย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังมาทํางานในด้าน กุศลในด้านที่เป็นประโยชน์ทางธรรมมันจะได้บุญน้อยได้ยังไงนะได้บุญชัดเจนดีกว่าคนที่ได้เงินเยอะๆทำเยอะๆได้หากินดีๆดูชั้นดูดีแต่ไม่เอาฐานไม่ไม่ทำอะไรมีร่ารวยได้นะแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไปทางด้านาศาสนาทางด้านธรรมะทางด้านที่มันเป็นหลักฐานของสัคงคมญศาสนาธรรมะนี่มันจะ อยู่กับสังคมเป็นนานนะโดยเฉพาะสร้างวัดวัดหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะนะสร้างวัดวัดหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะก็คุณพูดถูกแล้วละได้บุญมากกว่าพูดจริไปขายอาวุธขายสัตว์ขายอะไรได้พวกนี้ถูกต้องที่สุดนะจะไปบุญน้อยได้ไงจริงๆแล้วคําว่าบุญขอวิเคราะห์ต่อไปนิดนึงด้วยซ้าไปว่าคําว่าบุญนี่หมายถึงการชําระกิเลสนะ การชาักกิเลสมันผู้ที่ทาการปฏิบัติทานก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีหรือประพฤติประพฤติมีความประพฤติก็ดีถ้าความประพฤติเหล่านั้นผู้ที่ประพฤติจรณะอ่านจิตเป็นรู้จักกิเลสเข้าขั้นประมาทได้แล้วล้างกิเลสได้นั่นคือได้บุญนั่นคือได้บุญ เคําว่าบุญที่ความหมายชัดเจนคืออย่างนี то, это, worry, do, like. ええ้ส่วนคําว่ากุศลนั่นก็คือได้ทั้งกุศลได้ทั้งวิบากถ้าเรียกวิบากบุญวิบากบาปก็ไรวิบากกุศลหรือวิบากหรืออกุศลวิบากวิบากดีวิบากชั่วดีชั่วเป็นสมมติสัจจะแต่บาปบุญนี่เป็นปรมัตสสัจจะบาปบุญนี่เป็นปรมัตสสัจจะส่วนกุศลนั่นกุศลอกุศลนั้นกว้าง รวมทั้งกาลยานธรรมรวมทั้งปุถุชนหมดส่วนบาปบุญนั้นเป็นปรมาตนะอันนี้มันไกลมามากแล้วมันเพียนมาไกลจนกระทั่งเดือนนี้พูดบาปบุญเป็นปรมาติก็ไม่ถูกไปปนกันหมดกักุศนกุศนก็เลยไม่ชัดนะอ๋ออธิบายขยายความแค่นั้นกันล้วกันจากสี่สามหนึ่งหนึ่งบอกว่าวิโมกสามกับวิโมกแปด ต่างกันอย่างไรวิโมกสามก็มีสุญญาตาวิโมกอนิมิตตาวิโมกแล้วก็อัปปานิหิตตาวิโมกนี่คือวิโมกสามมันเป็นผลวิโมกสามเป็นผลวิโมกแปดนั้นเป็นทั้งมรรคทั้งผลวิโมกแปดเป็นทั้งมรรคทั้งผลโดยเฉพาะข้อแปดคือผล ผลเป็นนิโรธมิโมกแปดมีข้อที่แปดคือผลนิโรธหรือเป็นฌานก็เป็นผลไปตามลำดับรูปฌานก็ผลของฌานอารูปฌานก็เป็นผลของอรูปฌานสูงขึ้นไปตามลำดับเบืองตนง้นธรรรามันปลายพอถึงนิโรธก็เป็นผลสุดเป็นผลปลายเลยสูงสุดอ่าส่วนวิโมกสามนั้นคือการขยายความหมายของผลสุญญตวิโมกหมายคำว่าไปความหลุดพ้นในลักษณะที่มี ความศูนย์มีสภาวะของความศูนย์นิโรธที่มีความศูนย์เป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นสัญญาเวทยิตะโลกนิพพานเป็นผลผลวิโมกหรือวิมุตเป็นความรู้ขั้นสุดท้ายเลยเป็นผลสุดท้ายเลยเพราะเมื่อสุดท้ายแล้วจะมีวิโมกสามลักษณะหนึ่งสัญญาตสองอนิมิตตสามอภปนิหิตต บางทีท่านก็มีมทั้งสามอย่างบางทีท่านก็มีอย่างหนึ่งสองอย่างสุญญาตาจะมีประจําว่างอนิมิตก็ว่างอปนิหิตะก็ว่างวิโมกนะฟังให้ดีนะผู้หลุดพ้นแล้วนะผู้มีคุณสมบัติวิโมกแล้วนะเพราะยังผู้มีคุณสมบัติวิโมกแล้วอนิมิตคือว่างโดยไม่ต้องใช้นิมิตอนิมิต คือไม่ต้องใช้นิมิตไม่ต้องใช้เครื่องหมายสิ่งแทนเป็นคนเก่งอ่ะวิโมกแล้วเก่งถ้าผู้ไม่เก่งต้องกำหนดหมายนิมิตนั้นนิมิตนี้เครื่องนั้นเครื่องนี้ใช้ประกอบมันจึงจะพอไปไปได้ต้องมีองค์ประกอบแต่ถ้าไม่มีองค์ประกอบไม่มีเครื่องหมายนั้นนั้นนี่นี่เลยนะคนเก่งแล้วมันต้องใช้เครื่องหมายไม่ต้องใช้เครื่องหมายทําได้ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนั่ น, นีนอธิบาย ชัดเจนละเอียดให้ฟังอธนิมิตส่วนอปปนิหิตะนั่นคือตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาเช่นโพธิสัตว์เนี่ยทำแล้วตั้งความปรารถนาไปพุทธภูมิหรือตั้งความปรารถนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะทำงานอันนี้ตั้งความปรารถนาไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีเจตนารม มีความมุ่งหมายตั้งความปรารถนาว่าจะต้องเป็นอย่างเงนี้อย่างที่เป็นความตั้งปรนารถนานั้นหรือไม่ตั้งปรารถนาแต่รู้จักเหตุปัจจัยอาจารย์ที่ทำงานบางครั้งไม่ได้ตั้งความปรารถนาอะไรมีเหตุปัจจัยนั้นนี่เออทาเถอะแล้วพอเข้าใจมีอานาคตตั้งสัญญาว่าทําแล้วอันนี่หนึ่งวกหนึ่งมันจะเป็นสองเราไม่ต้องตั้งความปรารถนาเราเรารู้เหตุปัจจัยแล้วแล้วก็ทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้สองไม่ต้องตั้งความปรารถนานี่ ถ้าทําได้สมบูรณ์มันก็ได้สองหนึ่งได้มีหนึ่งกํานึงคุณบวกกันให้ได้แล้วมันก็ได้สองอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องตั้งความปรารถนานี่คือผู้ที่มีวิโมกแล้วแท่าน ก, ก็ประพฤติเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องของท่านที่จะทําเป็นเรื่องของอย่างข้อสองนี่เป็นเรื่องของจริยนิสัยหรือภูมิธรรมภูมิธรรมต้องตั้งเครื่องหมายไว้ก่อนต้องมีร่างมีสเก็ตมีแผนที่ ขอไปพูดไปแล้วก็เข้าตัวเองบ้างอัตอมาเป็นคนทํางาน no project no planning นี่คือไม่ต้องมีนิมิตเครื่องหมายอะไรถ้าคนเดียวต้องล่างต้องมีเครื่องหมายมีอย่างงี้งงนะี้นี้่เงี้ยก็มี planning มีนิมิตหมายไว้เยอะถ้าถึงขั้นหนึ่งแล้วไม่ต้องมี planning ไม่ต้องมี project มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาให้ทำเลือกทำเท่านี้ก็เลือนแหนะแล้วหนัก มันต้องไปคิดอ่านหรอกอันนี้เป็นเรื่องอาริมไตรเป็นเรื่องลึกซึ้งนอธิบายสู่ฟังดีถามมา น, นี้ก็ได้ขยายความบ้างในเรื่องของวิโมก3สามหรือนิโรธสามกเรียกนิพพานสามกเรียกอันนี้ศูน5พวกสองห้าพครูเคยบรรยายว่าสภาวะที่คนตกนรกหลังการตายนั้นเปรียบได้กับความฝันร้ายแต่จริงยิ่งกว่าฝันหลายเท่า มันเป็นสภาพของจิตของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่มีสถานที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้เพราะเป็นสภาพนามาทำล้วนๆใช่ไหมคะถูกต้องสิสุดน่าถูกต้องและเข้าใจดีแล้วแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งบรรยายว่าท่านได้เข้าชานอธิษฐานจิตขอดูบุคคลผู้หนึ่งซึ่งกําลังตกนรกอยู่ท่านสามารถเห็นสภาพที่บุคคลผู้นั้นถูกทรมานอยู่ในนรก อยากเรียนถามว่าการเข้าไปรู้เห็นสภาวะดังกล่าวนั้นด้วยกำลังของฌานจิตมีจึงหรือไม่อย่างไรคะอาตมาเคยหลงผิดแบบนี้น่าเล่นน่าเข้าฌานเข้าสมาธิต้องเข้าไปข้างในนี่แล้วก็แมมไปรู้เมืองนรกเมืองสวรรค์รู้สัตว์นรกสัตว์เทวดารู้อะไรอะไรโอ้เล่นถึงขั้นพระพรหมถึงขั้นอรูปพระพรหม อาตมาสมัยเล่นไสยศาสตร์แต่เป็นคารวะเคยเข้าใจอย่างนี้พอมาถึงวันนี้แล้วอาตมาฟื้นความรู้อาตมาขึ้นมาแล้วเอา้าอันนั้นมันขึงโลกโลกแล้วก็ไปหลงเล่นกับโลกเข้ามันเลอะๆไปนี่เป็นความเห็นของอาตมาเพรา ะ, ะนั้นพุที่เขาท่านว่าอย่างนั้นอยู่ท่านก็ว่าของท่านจริงการที่จะปั้นอุปทานให้เป็นจริงนั้นเรียกว่ามโนมยัตตาเป็นเขาไปเห็นว่าเขาจริงแต่ของจริงนั้นไม่ใช่ของจริง ของที่ปั้นขึ้นมานิมิตขึ้นมาเองนาอาตมาตอบเรื่องของจริงที่ไม่ใช่ของจริงเนี่ยเขามีจริงแต่ไม่ใช่ของจริงเนี่ยไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรที่จะบัดเก็บเทียบเป็นอุปมาก็เลยใช้ภาษาว่าความการโกหกการโกหกหรือความโกหกคําโกหกอย่มีจริงไหมในโลกนี้มีไหมมีคนทําให้คุณเคยโกหกไหม เออเห็นไมล่มันก็มีจริงๆคนโกหกจริงๆแล้วเป็นจริงด้วยมีจริงๆเลยแต่คําโกหกมันจริงแล้วไม่จริงอ้าวมันก็ไม่จริงอาตมาไม่มีคําอะไรที่จะยกตัวอย่างได้ดีกว่านี้อันนี้มันมีจริงถ้าคนจะไปยึดมั่นถือมั่นจริงแล้วคนโกหกจริงๆนี่เขาเอาจริงเอาจังแล้วคนโกกแล้วเขาได้ประโยชน์จากคำคำโกหกด้วยเขาก็พอใจด้วย เมือนการนั่นติดยึดแล้วเขาก็ได้ความพอใจเขาก็ได้อะไรได้ลาบได้ยศได้อะไรด้วยจากเขาที่เขาหลงว่ามันมีจริงเนี่ยคนที่เข้าใจโดยสัจธรรมแล้วก็มันไม่จริงย่งมาเอามานั่งหาประโยชน์ให้ตัวสมัยเระมันเอาเข้อไม่จริงมาหลอกคนมาหากินด้วยบาปแตช่ชกแต่ชักเลยไม่เอาไม่ทําคนที่รู้แล้วไม่ทําคนที่ยังไม่รู้ก็ทําอัตมาก็มาปรงอระบาดสมัยคารวะว่าแต่อัตมา ทำทายาทศาสตร์สมัยเล่นทยศาสตไม่เคยเอาเงินเอาทองเอาอะไรของใครไม่เคยแปดปีเล่นทายศาสตร์อยู่ไม่เคยมีแต่ช่วยคนช่วยช่วยเขาก็าเดือดร้อนม า, ยงงานอย่างนู้นอย่างนี้จะเล่นเหลืองแมกจิกอะไรไปก็เล่นไปลึกลับอะไรไปก็เล่นจะรักษาไข้ใบหวยอะไรก็ว่ากันไปช่วยคนอย่างเดียวไม่ได้เอาของแลกเปลี่ยนอะไรเขาเลยมีแต่สิ่งกําหนดว่าอ้าคุณมาคุณจะต้องเอาทิ่กําหนด ครับเจคุณจะต้องเอาธูปเทียนมานะอย่างน้อยที่สุดต้องมีธูปมาจุดกันยังโอ้โหควันแสบหูแสบตามากเลยถือว่าควันใช้ควันเป็นหลักจุดกันมาถึงก็จุดกันเลยโอ้โหอ่คุณต้องใช้มีธูปมาอย่างน้อยเจดดอกมันเป็นมัดๆกันไม่เจ็ดดอกบางคนมาเป็นลังเลยจุดกันไม่รู้จะหมดโอ้โหคนก็นไปทิ้งไม่หวัดไม่ไหวถูกเพราะเรากำหนดเท่านั้น เราไม่เอาค่าอะไรอะไรเลยคุณต้องเอาจุดทุบม า, าลองใจกันหน่อยมาเปล่าๆมันไม่ได้ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนมั่งนะไม่งั้นคุณไม่ลงทุนเลยไม่ได้ให้เขาเสียสลับมั่งก็จุดทูบเท่านั้นเอามาก็ไปจุดทูบจุดโกควันขม้งชงเฉงไม่ไหวแสบหูแส บ, แสบตาเออ่อผ่านก็คนยึดคนถือก็เป็นอย่างนั้นเขายังไม่รู้เขาก็เล่นไปเขาก็มีของเขาจริงอย่างที่ว่าแหละ ถ้าเขารู้แล้วเขาก็เลิกอย่างอาตมาที่จริองอาตมาเหมือนขอไปต้องเหมือนพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ในป่าประทับปัิจัยานหกปีอยู่ในไอนบําเพ็ญทุกขกริกริยาอยู่หกปนะีมันไม่ใช่เรื่องของพูดเลยถ้าเขาไปทํายังก็บอกว่า ไ, ไม่ใช่ทางเลยแต่มันก็ต้องลงไปตามรลกที่อาตมาเรียกว่าลิงลมอมเ พ, พอง ก็ต้องมาวิบากเราจะมีมันเป็นการใช้วิบากอาตมาก็ไปใช้วิบากเหมือนกั น, นเพราะฉะนั้นอาตมาไม่แปลกใจว่าทําไมอาตมาไปทําอย่างนั้นแล้วไม่ไปหากินไม่ได้เอาเงินเอาทองอะไรเลยไปรับใช้บวมวิบากไงไปรับใช้วิบากถ้าอาตมาไปเอาเงินเอาทองอาตมาวิบากซ้ำวิบากซ้อนเลยแต่ถึงกันนั้นก็ดีมันก็ไม่ดีทางจิตวิ ญ, ญญาณเป็นมอมเมาคน มันก็ไม่ดีทางวิญญาณแต่ถึงกระนั้นก็ะดังก็ไม่ได้บาปเบิกอะไรเพราะไม่ได้ไปหากินไม่ได้ไปเอาอาบิษอะไรทำด้วยเมตตาทําด้วยความเกือ้อกูลสังฆะจะว่ากันจริงเป็นกุศลชนิดหนึ่งด้วยโอ้หนักนะอาตามาทํางานทีวีเป็นครูด้วยเป็นอะไรทํามะหากินหลายอย่างกลางคืนนะอันนี้ต้องใช้วิรังคืนไปที่หนึ่งที่สองก่อนจะมาเราคงแวะประตูน้ําซัดทุาต้มขอจะไปกลับบ้านนอนตื่นเช้ากันมาแล้วบางทีตื่นเจ็ดมงอ้าวนี่ไปทํางานต่ออะไรอย่างนี้อู้ เน็ดเหนื่อยจงกระทั่งสุดท้ายธารมาบอกไม่ไหวแล้วทําไม่ไหวต้องลาต้องเลิกบอกว่าเธอะหยุดบอกเพื่อนบอกฟูที่ทําด้วยกันถ้าเผือว่ายังไงมันขาดเหือจริงๆนะไม่มีใครช่วยเลยนะมันขาดจริงๆเลยอยากจะให้เราไปสมทบทีมถ้าขาดเหลือบอกจะไปจะไปช่วยถ้าจาเป็นบางครั้งบางคราวบอกว่าไม่ไหวธารมาหา ก, กินก็หนักแล้วเพราะาธรรมามีภาระเยอะเลี้ยง น, น้องทั้งห้าหกคนเจดคนหกคนนจะน้องเจ็ดน้องหกอ่า น้องหกแต่ว่ากัตมามีช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะให้ทุนเขาเรียนหนังสือให้อะไรอะไรคนอื่นๆก็มีนะ <c oughs> จากมหาโพโนี่มหาโพนี่นะเนี่ยอชื่อซ้ําเราจากมหาโพขอสนับสนุนคําพูดของพระโพธิรักษ์ครับโอ้เรียกอัตมาเป็นพระนะอ่ขอสนับสนุนคำ พ, นะพูดของท่านพระโพธิรักษ์ครับอยากจะถามข้าพเจ้าแสนโกรธ ท่านปรารถนาพุทธภูมิแบกเป้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าแสนโกรธเอเคยได้ยินหรือเปล่านออาจจะมาจำไม่ได้ละแสนโกรธดูเหมือนว่าว่วผนผ่านนิดๆแสนโกรธพระพุทธเจ้าแสนโกรธนึกไม่ออกว่าเป็นใครอย่างไรไม่มีในสัญญาท่านปรารถนาพุทธภูมิแบกเป้เนเป้ในภาษาสมัยใหม่นะ ถ้าเาพระเจ้าเนี่ต้องโคตองเก่าแล้วองค์เก่าองนี้มีเป้แล้วเหรอฮนะแบกเป้ครับอ่าตอบไม่ได้น่าไม่มีปัญญาตอบแล้วค <c oughs> ำสามนี้ <c oughs> ตอบไม่ได้น่าไม่มีความรู้ตอบอันนี้จบน่าง่ายดีน่ะตอบได้นะาตอบง่ายเราไม่รู้ ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ท่านมหาโพธิ์ถามมาจากชาวชุมชนสันติอโศกนาวันสองวันมาแล้วได้ยินเสียงประกาศให้เจ้าของรถบริเวณข้าตึกแดงถอยรถออกเพราะนักเรียนสมาธิขาจะขอใช้พื้นที่บริเวณหน้าเสาธงสักครู่มีธุระเดินผ่านบริเวณนั้นเห็นนักเรียนกำลังเตะฟุตบอลันเต็มกำลังอ้าวรถเก๋งรถตู้ ยังจอดอยู่ประมาณสีห้าคันแงนหน้าดูห่วงของตะก้อวงที่แขวนไว้ให้เด็กๆ เ, เล่นก็าหายไป อ, อ๋พอพราะครูขออนุญาตให้สมาธิขาเล่นฟุตบอลกันได้แล้วนั่นเองติดใจอยู่ตรงที่ว่าในระหว่างที่เตะฟุตบอลหากพลาดทั้งเกิดความเสียหายกับรถตราที่จอดอยู่เช่นกระ จ, จกแตกเป็นต้น นักเรียนทราบหรือไม่ผู้ปกครองคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินให้กับเจ้าของรถแต่เพียงผู้เดียวอ่านี้ก็ช่วยดูกันนะถ้าเผื่อว่าบอกมานี้ก็เห็นละ่ะอาตมาไม่ได้ไปอนะพยายามบอกถ้าจะออกกําลังกายถ้าจะเล่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาตมาก็กำหนดอะไรที่มันไม่ค่อยชอบมาพากลเช่นบอกว่าจะเตะบอลก็ตามอย่าไปเตะบอลอย่างแข่งขันเพื่อเอาชนะค้าวาจะตีแบต่ะเล่นห่วงจะ อบอลเล่บอลอะไรก็แล้วแต่เพื่อออกกาลังกายโต้กันไปโต้กันมาเฉยๆไม่มีปัญหาอย่าให้มันตกอย่างอาตมาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นตัดป้อวงเนี้ยมันมีจิตวิทยาที่ดีเตะแล้วทุกคนก็พยายามเลี้ยงลูกให้สวยงามให้ถึงกันให้ดีๆอย่าให้มันตกง่ายๆมันมีมันมีภาวะรวมมันสามคีแล้วทุกคนก็พยายามประดิบประดอยพยายามที่จะ ปรุงแต่งให้มันดีงามนะจะมีท่าประดิษฐ์ประดอยอะไรก็ว่ากันไปถ้าแต่ตะก้อวงนี้เอาถ้าเตะแบบเซปักตะก้อนี่อาจจมาห้ามเอาชนะค้าคานกันมันมีแตะกิเลสแล้วอาตมาก็ขอบอกว่ากีฬาที่เอาชนะค้าคานแข่งขันกันนี่จะทํำลายทังคมโลกตอนนี้หลงกันหนักมากเลยจกนกระทั่งเป็นข่าวเป็นข่าวสําคัญมั่นหมาย พวกที่เป็นนักกีฬากะระลำตัวรวยเหมือนกงษดราเป็นอบายยมุกแท้จริงการละเล่นแข่งขันกันนี้เป็นอบายยมุกติดแท้จริงแล้วตอ น, นจัดจ้านมากรุนแรงมากแล้วสังคมไม่รู้ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมที่ลึกซึ้งก็ปล่อยสร้างเหมือนกันกับการละเล่นเหมือนกันกับบันเทิงเริงลมจัดจ้านมากเดี๋ยวนี้ยกลายเป็นโอ้โหสิ่งที่ก้ากิเลสคนมาปลุกเป่าไอ้กุญแจคนมามองเมาคนคนก็ติด กิเล่มันก็ต้องติดติดแล้วก็เอาการติดนั่นแหละมาตีราคาตีราคาแล้วก็กอบโกยเอาไปแล้วคนมันก็ติด ก, กิเลสมันก็จะต้องชอบอะไรต่รสนุกสนานเพนลิดเพลินอะไรต่างนาน า, น า, นานมันก็ลงไปยิ่งดำดิ่งไปหมดเลยเพราะฉะนี้จะเห็นได้ว่าชาวโศเราเนี่ยอาตมาไม่พาทําเช่นนั้นแม้เด็กๆนี่ก็เป็นอย่างนี้เพราะงั้นเด็กๆเขาก็ไม่เคยรู้เท่าไรเราก็ชื่อกันเอาตาดูหูแลอะไรมันมากไปก็ คุยกันว่าอย่างนี้ปล่อยไปนี่มันดีไม่ดีอย่าเพิ่งไปตัดสินมากมายนักอย่าเพิ่งไปดุด่าอะไรกัไรกันแท่กระทานจะแรงนักค่อยๆมีเหตุมีผลอบางทีก็เอาปล่อยไปก่อนแล้วค่อยเอาเด็กมาถามถ่ายอบรมกันว่าอย่างนี้ทําดีหรือไม่ดีให้เขารู้ว่ามันไม่ดีอย่างไรมันไม่มันไม่ควรอย่างไรมันมีผลเสียอย่างไรอย่างเนี้ยที่เห็นอย่างเนี้ยนี่ก็ดีก็เชื่อกันดูแล้วก็ชื่อกันแก้ไข จากตุตะภูผาฟ้านา้มความยึดก่อให้เกิดโมโหคอให้เกิดโมหะอย่างไรมีวิธีแก้ไขความยึดและโมหะนี้ยังไงมโมหะนี่แปลว่าความหลงมันก็ทำให้เรามันเป็นโมหะอย่างหนึ่งด้วยคุณมีการคุณก็โมหะคุณมีพยาบาทก็โมหะ บางทีโมหะเนี่ยเขาไปแปลว่าโมโหเป็นภาษาไทยที่ยิ่งคําเดียวกันภาษาบดีโมโหไปแล้วว่าปแปลว่าโกรธมันคนละเรื่องกันมันไม่ใช่โมโหแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าโทสะมันไม่ได้แปลว่าโกรธนโมโหมันก็โมโหมันก็แปลว่าความหลงผิดนถามว่าความยึดก่อให้เกิดโมหะอย่างไรตัวความยึดตัวเดียวนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุด ความยึดตัวเดียวนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นคุณเรียนรู้ความยึดเถอะอุปท า, านยึดอย่างอาวิชชาเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดมีอุปท า, านสี่เท่านั้นยึดในกามความใคร่อยากมาสนองกิเลสตามนี่คือความใคร่อยากมาสนองกิเลสรวมความแล้วทั้งสนองกิเลสโกรธทั้งกิเลสโลภา ร, ราคะ กามความประยานี้ทั้งนั้นเลยสนองกิเลสผลหรือดูดสองอุปทานทางทิฏฐิที่ถุกประทานคือยึดติดในความรู้ความเห็นความเข้าใจน่าแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจะต้องเป็นของข้าต้องถูกต้องย่อมของข้าของคนอื่นไม่เอาของข้าเท่านั้นในก็ยึดยึดจกักยึดไปจนกระทั่ง ไม่อนุโลมคนอื่นเลยแม้คุณจะยึดถูกก็ต้องรู้จักคนอื่นเขาบ้างว่าเออคนอื่นเขาได้ตรงนี้อย่างนงงี้ก็ต้องรู้จักอนุโลมเไม่ใช่ยึดมัน่นถือมั่นแล้วเอาเป็นเอาตายตามใจข้าทั้งนั้นเลยแต่ใช่สิ่งที่ดีที่ควรก็จะต้องดึงไว้หน่อยพยายามที่จะให้เข้มขึ้นแต่พอควรต้องมีกําหนดกฎเกณฑ์ศิลปตับอุตเสวตุปปาทาน ยึดในวิธีปฏิบัติรำศีลพศต่างๆหลักเกณฑ์ต่างๆทฤษฎีต่างๆหรือวิธีปฏิบัติต่างๆยึดติดรัฐที่นั้นรัฐที่นี้หรือแม่ศาสราเดียวกันก็ต่างคนต่างยึดวิธีปฏิบัติคนแต่ละคนพลิกแปลงไปอะไรไปต่างๆตร ง, งนีน้ะก็ต้องเรียนรู้สมาธิดีๆแล้วก็จะมีวิธีปฏิบัติที่สม า, สมาก็ไม่พลิกไม่เพีย น, น ชนอัตวาทุปาทานนั้นยึดตัวนี้แหละตัวอัตตาแต่อัตตาตัวนี้ต้องลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วคำว่าอุปาทานนี้อุปาทานตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ยึดตัวอัตตาได้ตัวอัตตาแล้วยึดอัตตาความจริงนั้นคนยึดอัตตาแต่ท่านตรัดอันนี้เนี่ยโอ้โหลึกซึ้งมาก ลึกซึ้งแม้แต่ในยุคพระพุทธเจ้ายุคพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งอย่างไรยุคพระพุทธเจ้าลึกซึ้งคือยุคนั้นอัตตาในภาษาบาลีว่าอาตมันเรียกว่าอัตมันนะก็จะรู้จักดีกว่าเป็นภาสนสกิตบาลีว่าอัตตาอัตตาหรืออัตตะเพราะงั้นอาตตมันที่เขายึดกันคือพวกเทวนิยมมีจะยึดอัตมันยึดอาตมันแปลว่าวิญญาณกันได้ ยึดวิญญาณยึดจิตวิญญาณยึดเป็นนิรันดรยึดเป็นปรมารตมันเป็นอาตมันเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าเป็นศาสนาอัตตาสรุปแล้วคือเป็นศาสนาอัตตาแต่เขาไม่รู้จักอัตตาเขายึดพระพระเจ้าเขายึดเทวดาแต่เขาไม่รู้จักเทวดาเขาไม่รู้จักประมาส์เขารู้จักจิตเจแต่สิรูุณิพาน เขาได้แต่วาทะหรือได้แค่เป็นลัทธิที่ยึดอัตตาเท่านั้นวาทะนีแปลว่าลัทธิก็แปลว่าได้แต่ภาษาคำพูดเท่านั้นท่านตั้งอันนี้ขึ้นมาในยุคนื้อมาในศาสนาอัตวาทุปทาคือศาสนาเทวนิยมทีนี้พอมาเป็นศาสนาพุทธก็เป็นอัตวาทุปทานไม่เข้ามจยึดได้แต่วาทะเหมือนกันมิชชาทิธิ ได้แต่แค่เหตุผลได้แต่แค่วาทนาได้แต่แค่ทฤษฎีเหมือน ท, ทิิได้แต่แค่เปลือกเปลือกไม่เข้าไปถึงเนื้อไม่ถึงเข้าไปถึงปรมาธน์นี่คือผู้ที่ยึดได้แค่อัตวาทุปาทานได้แต่เหตุผลได้แต่ปริยัติได้แต่ความหมายได้แต่เก่งรอบแต่ความรู้น แต่ไม่ได้เข้าถึงสภาวะธรรมที่แท้จริงก็คือยึดได้แค่อัตวาทุ ป, ปาถานนี่คือความยึดสรุปแล้วความยึดนี่แหละทุกอย่างมันยึดมั่นถือมั่นหมดแม้ที่สุดแล้วไปพบพบ พ, พระอรหันต์แล้วก็ยังต้องยึดแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นยึดอย่างมีภูมิปัญญารู้แล้วก็ใช้สิ่งเหล่านั้นตามสมเหมาะสมควร อาศัยไปเทนะ่านั้นจะว่ายึดแต่เพียงอาศัยเรียกว่าสมาทานไม่ใช่อุปาทาน น, าานี่เป็นต้นเพรา ะ, ะนั้นจะถามว่าจะแก้ไขโมหาย่างไรความหลงนี่คือมันหลงผิดหลงพลาดหลงอะไรไปได้เยอะแยะก็ต้องแก้ไขโดยการปฏิบัติธรรมเรียนรู้ความยึดถือพวกนี้แหละให้หมดไล่มาตั้งแต่ความต้นต้นเลยคือการมการมมุปาทา น, นาตั้งแต่ตั้ยึดความใค่อยากใหญ่ค่ายาคมาบมลกิเลสนั่นแหละโมหะก็คือมันไม่รู้มันหลงผิด ยดเอาทั้งกรมทั้งพยาบาทก็แก้พยาบาทแกบอุปทานแก้พยาบาทกาา็แก้กรมนั่นแหละเป็นกิเลสตอนนี้ให้ลดไปเรื่อยๆความยึดก็ลดลงจากคนอายุธยาถ้าเรามองเห็นบุคคลที่เราไม่ชอบใจหากจะมองใน อ, องค์รวมของวิโมุก8แปดจะพิจารณาคำว่ากายได้อย่างไรอยางให้พระครูอธิบายยกตัวอย่างจากข้างนอกมาถึงข้างในมองบุคคลที่เราไม่ชอบใจ ถ้าจะมองในองค์รวมของมโมกแปดก็มองเขาใช่ไหมเขาเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างหนึ่งสือรูปจะพิจาราคําว่ากายได้อย่างไรคําว่ากายคํานี้คือองค์ประชุมของจิตเจตสิกของเรานะจะพิจรารณากายก็อาจะเรามองคนคนนี้แล้วนะคนที่เราไม่ชอบใจกายของเรากําลังเป็นผีกายของเราก็คือ องค์รวมของจิตเจตสิก ต, ต่างๆสัมผัสอันนี้แล้วมากัะเนื้องมาที่กายมาองรวมของจิตเจตสิกเราเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณมันมีอาการไม่ชอบใจคุณก็อ่านตรงนี้แล้วอ่านใจออกนี่แหละคุณรู้กายเป็นนามกายหรือต่อจากข้างนอกด้วยเป็นรู ป, ปกายนเป็นรู ป, ปกาย คุณต้องอ่านนามนี่ออกเป็นนามารูปต้องอ่านนามมาทำถูกรู้โดยเราเรามีญาณรู้เมื่อกระทบสมัมผัสอันนี้แล้วเกิดความไม่ชอบใจก็รู้ความเป็นผีผีนี่เป็นสัตว์ตัวหนึง่งเป็นสัต ว, ต ว, ตว์ทางจิตวิญญาณแล้วคุณก็หาทางกําจัดมันโดยรู้เหตุมันเราไม่ชอบเขาเพราะเหตุอะไรตัวเหตุตัวอะไรพิจารณาถึงแม้จริงๆแล้วไปชอบไม่ชอ บ, ชอบใจของเขาเนี่ยเขาก็เป็นเขาอ่ะ แม่จะมีวิบากต่อกันมาแต่ปางใดก็ตามมันไม่ชอบใจคุณก็มาแก้ติดตนเองคุณจะไปยึดล้างวิบากซะว่าล้างการไม่ชอบใจนี่เพราะว่าเราเองเราไม่ชอบใจมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกคุณไปยึดมามากี่ชาติแล้วชาตินี่ก็ไปยึดอยู่แล้วใหม่ๆนี่ก็ไปยึดเพิ่มอยู่ตรงเนี้ยเพราะอาวิชชาเราก็เลยทั้งของเก่าขลองใหม่ยึดตาพืชก็มาล้างความยึดนี้ดังกล่าวนี้ ต่อมาคนที่สงสัยบาปคืออะไรบุญคืออะไรอ่าตั้งใจฟังนินดีแล้วก็ตอบสั้นๆวันทุกวันก็สอนบาปสอนบุญนี่แหละบาปคือกิเลส ท, ที่มันพาให้เลวให้ร้ายไปเรื่อยๆนี่แหละทั่งสมมาก็เป็นวิบากบาปเยอะแยะแล้วก็มาตอกอบาปกอเวนต่ออยู่เรื่อยๆบุญคืออะไรบุญคือล้างกิเลสให้เกิดปัญญา เมื่อล้างกิเลสได้คุณก็เกิดปัญญาปัญญาที่บรรลุแล้วคุณก็ไม่สร้างกิเลสอีกบาปก็หมดไปตัวที่ล้างได้ก็หมดไปเรื่อยๆล้างหมดก็เป็นผ้ า, ารหันเหลือแต่วิบากบาปเกา่าที่จะตามเล่นงานไปนมันก็ตามได้งานแม้แต่คุณจะมีชีวิตต่ออยู่อีกเป็นพผ้ า, ารหันแล้ววิบากบาปก็ยังเหลืออยู่ ของเก่าอ่ะแต่คุณไม่ทําบาปใหม่แล้วไม่ทําเด็ดขาดเป็นอหรหันไปแล้วไม่ทําบาปทั้งปวงแต่ปัปัตตะกัรนังเพราะสัจจิตต์ประโยชน์ตนังพเพราะได้ล้างชําระจิตกิเลสหมดแล้วมันไม่มีกิเลสที่จะทําบาปต่อละจึงทาแต่กุศลไม่ทําบาปและก็ไม่ทําบุญเพราะบุญคือการชําระบาปคือการชําระกิเลสที่มันยังเป็นบาป เมื่อชาระกิเลสหมดแล้วคุณก็ไม่ต้องทําบุญอีกเพราะฉะนั้นพระอระหันจะผู้ไม่ทําบุญทําบาปทํากรรมที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปมีแต่วิบากบาปเก่าตามมาเล่นงานส่วนบุญก็ให้ผลแก่ตนเองด้วยไม่ใช่บุญกุศลพูดสับภาษาไปนิดหนึ่งมันปนไปนิดหนึ่งคือพระอระหันแล้วไม่ไม่ได้ทําบุญพระอระหันทำแต่กุศล ตามอวตารปฏติโมกษามัทพระปาปสากักดิลัหยุดทำบาปกุศรสูปทท้ปัจจุบันทำมีกรรมอะไรมีแต่กรรมกุศลตรงนั้นบุญหมดแล้วทำบุญหมดแล้วคือการชำระกิเลสหยุดแล้วหมดแล้วสําหรับอรหันเพราะชำระจิตสะอาดของส่องไอย่างยั่งยืนแล้วนี่คือบาปกับบุญคืออะไรอธิบายพอสมควรอ อยากสมุดประการอย่างให้พ่อท่านอธิบายคําว่าโอปปปาติกะครับโอ้อันนี้ยากขอผัดไปก่อนนะโอปาติ ika, กะกําลังอธิบายอยู่สัตว์โอปปาติกะติดตามไปกําลังขยายความเรื่องสัตว์สัตว์ทั้งหลายนะี่คือสัตว์ทางโอปปาติกะโอปปาติกะนี่คือชื่อสัตว์สัตว์ทางจิววิญ ญ, ญาณเรียกโอปปาติกะก็ได้เรียกสัตว์โอปปาติกะก็เต็มเต็มคําทั้งหมดอนะเป็นสัตว์ ติดตามฟังนะอาตมากำลังขยายความอยู่ตรงนี้พอดีเรื่อยๆอยู่จากธนากรเวลาเราเกิดกังวลใจทําไมจึงเกิดอาการความรู้สึกที่หน้าอกครับเอดีสิทำไมารู้สึกอย่างนั้นมันรู้ง่ายดีทําไมรู้สึกก็มันก็มีอาการนที่มันมีพลังงานบีบคั้นหรือว่าคุณเองคุณไปสร้างสร้างท่านเรียกว่าสร้างพลังงานให้มันให้มันไปกับ เกี่ยวข้องกันกับประสาทเกี่ยวข้องกับเซลล์เกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับอะไรมากเข้ามันก็จะติดโดยใช้อันนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายดีใจก็จะต้องมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้มากเช่นดีใจก็ต้องหัวรอต้องปี๊ต้องปมมือต้องเปี้ยวเก้าอะไรอย่างงี้เป็นต้นมันก็จะติดถ้าไม่ได้ทําจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ถึงถ้าติดมากๆเขาต้องทําให้ได้ไม่ได้เขาไปเสียเงินต้องทําะต้องเสียเงินไป กรีดถ้าไม่เสียเงินไปกิีไม่ไม่ไม่ไหวไม่สุขมันว่างมันไม่ดีต้องไปเสียเงินกริดนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็คือเป็นอุปเพผงขาปิติมันเกิดอาการเนื้ออาการไม่อุปเพผงขาปิติหรอกมันเป็นอาการไม่ใชจปิติแต่เป็นอาการทางรา้ายก็ทําให้เจ็บปวดเป็นอะไรรุนแรงจะต้องอย่างง้นกระทบแรงแรงต้องแสดงอาการแรงแรงอะไรใด อ, อย่างผลที่จะบอกว่า มีอาการมีอารมณ์ต้องเลงแดงไปพวกซาดิสมาสคิสก็เป็นไปทางรายซาดิสข้อไปอัตมาตา้องแจ้ภาษาถิภาษาไทยมันไม่มีเขาไม่ได้แปลไว้อัตมาก็เลยไม่รู้จะว่าไงคือจอะต้องกระทบกับสิ่งที่รุนแรงแต่คนอื่นทำนาไม่ใช่เราธรรมสกิสเนี่ยต้องที่เราเนี่ยมันรุนแรงที่เรานี่มันดีไอ้นี้ทารุนมากเลยตรงนี้นะ มาสุคิกับซาดิสจะเจอกันโอ้โหปปเป็นปุบเปเป็นเครยกูอยู่กันตายเลยพรก็คนหนึ่งก็ชอบคนทุกคนอื่นแรงมันอีกคนหนึ่งก็เออตัวเองถูกกระทบหนึ่งแรงเนี่มันดีโอคู่นี้ไปด้วยกันเลย <S <S คน <S 1> <S 1> คู่นี้แต่งงานกันอยู่ไปตรอดแต่ถ้าคนนึ่งซาดิสอีกคนหนึ่งไม่มาสธธุคิสเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเลยยากหรือแม้คนมาสธธุคิสไอคนอีกคนนึงไม่ซาดิสก็ไม่ทํารุนแรงกับเขาไม่ทํารุนแรงกับเขา เขาก็ไม่ชอบใจแหละพวกนี้เรื่องของจิตทั้งนั้นอ้าวอัตมาเอเวลามันจะเลยละเอาเร็วเร็วนิดหนึ่งเรืออีกสามแผ่นแน่เรือโพดโดรีมีกลับพักกูครับคนไทยต้องบริโภคข่าวสารในรูปแบบนิวส์เพื่อจิตใจฉันใดคนไทยต้องบริโภคข้าวสาร <S <S <S ไรเพื่อร่างกายฉันนั้นสําหรับคนที่ทําให้แม่โพศกกลายเป็นศพ โมโหเล่นคําดีนะแม่โพศพกลายเป็นศพและทําให้สื่อมวลชนกลายเป็นสื่อมวลทั่วนั่นจะบาปสถานใดครับไม่อธิบายแล้วมันนี้น่ามันหมดเวลาแล้วนะแต่ก็เปรียบเทียบมาดีใหย้ยื่นดาบให้อัตมาไปว่าเขาตอนนั้นแหละมันมีอะไรนะบริโภคข้าวก็เปรียบมานะบริโภคข้าวบนิโภเขาก็ขา้าวออ่าทําแม่โพศพให้เป็นศพนะ ส่วนสื่อมวลชนก็สื่อมวลชั่วเอา้าก็เล่นภาษาเขาให้อธิบายไปเอาหน้าพยายามหาประมาทหน่อยหน้ไอ้พวกนี้นี่คุณเกง่งคุณเทียบมาเรื่อยเอาพยัญชนะมาเล่นเกง่งแต่มันก็สนุกไปตามเรื่องไปอยู่กับคณะเชิญยิมเตะบกจกก็ได้เอาเล่นภาษาพวกนี้เราจะมาหัด ก, กินกันไป <c oughs> อาถามความรู้ประครูจับคนดูขอบจอเรื่องหลักในการใช้ที่ประชุมให้เป็น เรื่องหลักคือใช้ที่ประชุมให้เป็นมีแนวปฏิบัติอย่างไรสมมติว่าเรามีเรื่องสงสัยในบุคคลคนหนึ่งว่าอาจจะเป็นผู้ที่เปิดทางให้เกิดการใช้จ่ายเงินโดยไม่ไม่รอบคอบเช่นอาจจะเผลอให้มีการไหลไหลใช้มีการไหลไหลในภาษาอีสานไหลในแปลวดลักษรรอบทํอาอำมีการหลอยใช้บําเรียกิลเลสอยากส่วนตัวนิดๆเช่นเอาไปกินขนมทานข้าวดูหนังทั้งที่เป็นการเบิกไป ไปใช้ซื้อเขา้าเข้าของส่วนกลางทั้งที่รู้ทำทั้งที่รู้คนร่อยก็รู้แต่ก็ด้วยคิดว่าคนที่จ่ายเงินมาใจดีใจมเมตตาหรือพอจะอนุโลมบ้างแล้วว่าทำบัญชีจึงไม่ได้ลงรายการไปตามตัวเลขกายจริงใส่ลงบัญชีในรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์มาเสื้ อ, อ ไ, ไปบ้างแบบไม่ลงรายละเอียดทการทําแบบนี้ก็ต้องถูกต้องหรือเปล่าเจบาคะ แล้วจะใช้ที่ประชุมให้เป็นจะต้องเริ่มอย่างไรคือเราจะสามารถถามตรงๆในที่ประชุมได้หรือเปล่าเจา้าคะเพราะเราก็กลัวโดนโกรธทั้งคนที่เคยหร่อยก็จะยิ่งโกรธเพราะเขาไปใกล้ความลับอร่อยอร่อ ย, ออ ย, ออยจึงไม่กล้าถามแล้วพระครูมักพูดบ่อยๆว่าส่วนตัวพระครูจะไม่เอาศรัทธาญาติโยมมาใช้ประกิจตนโดยตลอดที่เปลา่าเพรความรู้หากไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องตอบ ก, ก็ได้เจ้ะครับตอบเวลามันหมดแล้วก็ ผู้ที่ลอยทําอยู่อย่างนั้นน่ะนะเตือนกันรู้กันแล้วต้องทําไม่ใช่จะปล่อยปละละเลยไปมากนะแบบนี้นิสัยเสียติดแล้วก็ทําไปหนักเข้าก็ทํามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนที่ติดคู่นี้คือหลอยอย่างเงี้ยประมาทแล้วก็ทําเล่นๆนะหนักเข้ามันมันหนักมันมากแก้ไขไม่ทันเขาต้องการเอาคืนเนาะอะไรๆปิดปกปิดบางไอ้นี่มันนิ่งๆหน่อยๆก็ทําไปนิสัยเสียไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆ ถ้าปฏิบัติทำแล้วอย่าทำเพราะมันจะเริ่มบานปลายหรือหนักข้อเขาไปหาซี่เสื่อมมันผิดแล้วที่จึงมันไม่ถูกทีเดียวจะมีอะไรเท่าไหรก็บอกกันถ้าจําเป็นถ้าเราจะหัดอดหัดลดไม่จะไปหัดบำเลอถ้าหัดบำเลอ ม, มันก็ติดใจหัดบำเรออ่ามันก็เร็วลงเร็วลงอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ประชุมอย่างไรที่ประชุมพูดได้ที่ประชุมมันมีอยู่สองหลักใหญ่หนึ่ง มีเรื่องอะไรเอาขึ้นมาพูดกันมีเรื่องอะไรขึ้นมาพูดนะเกรงใจก็ดีแล้วแต่ว่าก็คนพยายามตั้งใจพูดให้มันดีดีดดเห็นว่าเป็นข้อบกพร่อ ง, องนั้นควรแก้ไขทุกคนก็จะร่วมรับฟังกันเพราะมันจะมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเวลาประชุมกันมันจะมีคณะห ม, มู่กลุ่มหลายคนผู้คนดูแลมันไม่มารวมมาตุ้มกันง่ายเท่าไรหรอกมีอะไรพูดขึ้นมาให้ชัดเจนแล้วก็ช่วยกันวินิจฉัย นะช่วยกันวิเคราะห์วิจัยหรืออภิภปรายหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันชัดเจนว่ามันถูกยังไงผิดยังไงผิดก็แก้ไขถ้ามันถูกก็ทําต่อไปได้แล้วมีมติมติผิดแก้ยงงี้มติถูกก็ทําต่อไปได้อย่างงี้หนึ่งที่ประชุมต้องพูดขึ้นมาให้มาให้ครบในที่ประชุมอย่าไปพูดรับรังพูดอะไรแต่ลายมันไม่จบแล้วมันทะเลาะวิวาทกันถ้ามาพูดในที่นี้แล้วมันจะได้ช่วยกันวินิจฉัยพิธีของที่ประชุมวินิจฉัยทร่วมกัน เมื่อรวมไปใช้แล้วเมื่อลงมติเมื่อได้มติแล้วจงทําตามมติจงทําตามมติประชุมกันเสร็จแล้วมีมติออกมาอย่างเขาข่าก็ยึของข่าอยู่พวกพูดไปก็พูดไปเสียงเปล่าประชุมไปให้มันเสียแรงทำใหม่ประชุมแล้วเราก็จะต้องชัดเจนตามที่ประชุมแล้วก็ทําตามมติที่ประชุมอันนี้คือหลักสําคัญของที่ประชุมมติทํายังไงแล้วของเราต้องถอดตัวตนนี้คือการปฏิบัติธรรม อย่าไปเอาตนไปของข้าแพ้ข้าไม่ยอมแล้วข้าก็ไม่ทําตามข้าไม่ช่วยพวกนี้เนี่ยเลวทั้งนั้นแล้วมันไม่เคยดีหรอกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทําต้องพยายามมติที่ประชุมแล้วเนี่ยท่านควรตั้งปฏิบัติตามก็คือเมื่อมีมติที่ประชุมแล้วทําตามมติแม่ของเราจะแพ้แม่ของเราจะไม่ชอบเลิกก็ต้องทาตามตามติที่ประชุมอย่าสร้างความไม่ชอบไปขัดไปแยง้งเรื่องไป โตต่างดิไม่ดีไปแกล้งไปอะไรท่ายิแม้จะวางเฉยไม่ร่วมไม่อะไรก็ไม่ถูกต้องเอาตัวตนออกเลิกจะไปยึดตัวตรงตัของตัวตนอันสุดท้ายพระมีพระบางรูปเศกลูกแก้วออกมาจากปากพรมน้ำมนต์เป็นพระธาตุทาได้จริงหรือไม่ครับโอ้ยไม่รู้อฐตมาไม่เคยทําปานนั้นเป็นสยศาสตร์ก็ไม่เคยทําทุกขนาดเศกลูกแก้วออกจากปาก าก็ไม่รู้มันมีสารพัดที่เขาเสกอะไรต่อะไรกันอัตมาก็เสกได้พลังงานใช้ประมาณหนึ่งแต่ถึงกระถึกระถังเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนใช้บาบาเสกไข่คอเสกนาฬิกาโลเลกมาแจกคนอะไรเงี้ยอัตมาไม่รู้เขาแต่จริงหรืไม่จริงอัตมาก็ไม่กล้าไปดูถูกเขาอ่าไม่รู้อัตมาก็เคยวิจัยฟังว่าอย่างใช้บาบาเงี้ยอเสกอนนาฬิกาโลเลกมาให้เขาเอ้า คุณเอานาฬิการโรเล็กมาได้ยังไงอ่ะโรเล็กไปของที่มีลิขสิทธิ์นะถ้าคุณสามารถมีลิตรจริงๆเลยนะไปเซก็คือเป็นดึงเอาโรเล็กจริงเข้าออกมาจากร้านเขาเลยร้านในก็แล้วแต่เซกไปดึง อ, อเาางเข้ามาใช่ไหแล้วลายเข้ามาคูณเก่งอะ่ะเอามาให้คนคุณก็ขโมยของเขาอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่คุณเซกขึ้นมาใหม่เลยนะั้นเป็นโรเล็กใหม่เลยอ้าวคุณปลอมของเขาอ่ะผิดทั้งขึ้นทั้งล่องเลยอะ่ะ คุณปลอมของเขามาหลอกคนอะโลหะเหล็กปลอมคุณปะสร้างขอให้คุณเนลามิทได้โดยซ้ําไปสร้างโลหะเหล็กให้เขาเนี่ยออาตมาเคยติงเรื่องนี้นะโดเอถ้าคนมีคุณธรรมหรือมีความสามารถจริงๆเขาไม่ทำหรอกนะเพราะทําอันนี้มันทิดมันผิดอย่างเนี้ยที่อาตมาพูดเนี่ยคด ข, ขมโมยของเข้ามาได้ไงมีฤทธิ์มีเดชมาไปขโมยของเขาทําไมหรือว่ามาปลอมของเขาทําไมมีฤทธิ์มีเดชมาปลอมของเขาทําไม นะได้ยินมานะ น, ะ น, ะนะัา น, นว่าโลเล็กเนี่ยวับคว้าเอาจากอากาศว่าโลเล็กมาแจกคนโลเล็กเขไม่ขอมีลิขสิทธิ์นะอ้าเลยเวลาไปแล้วก็ขอจบดืด้อ ว, วันนี้เพียงเท่านี้จเจริญทรมทุกคน